คนจริงคนเราเนี่ยเราสามหมอของเราเองว่าถ้าเราสนใจศึกษา ห, อหมอก็เป็นเหมือนคนเรีนยนเป็นแต่หมอเขาก็ไปศึกษาเรียนมาดูอาการต่างๆของโรคผ่านไข้เจ็บศึกษาว่ามันมีเหตุมีอะไรเป็นเหตุที่ทำให้มันเป็นแบบ น, นี้มันก็ศึกษาวิธีที่จะรักษามันเราก็สามารถที่จะเป็นหมอของตัวเราได้ เป็นส่วนใหญถ้าเราสังเกตดูตัวเราเองดูพฤติกรรมของเราเองว่าความเจ็บปวดความเจ็บไข้ได้ป่วยได้ปวนส่วนหนึ่งมันก็เกิดจากพฤติกรรมของเราการกินการอยู่การกระทําอะไรต่างๆเนี้มันมันมันถูกสุขลักษณะนรือเถ้าเรากินอาหารไม่ถ Arrow, ูกสุขลักษณะกินตามความชอบความอยากความต้องการ บางทีก็ก so, ินอาหารที segment, water, right? so, ่เป็นท so ิพเป็นไพร่พันธุ์เช่นน้าตาลนี่เป็นตัวตั้งแต่อัลมาบวชมาสมัยแรกๆวามบวชใหม่ๆเลยจะฉันน้ําตาลเนียเอะก็ทานน้อเดียวแล้วตานบ่ายมันก็รู้สึกหิวแล้วมาจะฉันพวกโกโก้พวกอะไรนี่แล้วก็ใส่น้ําตาลเป็นชามชๆอย่างไปก็รู้สึกก็เฉยๆแต่เมื่อ เมื่อมีอายุมากขึ้นมากขึ้นสังเกตุดูว่ามันเริ่มแผ้ต่างิ้ใต้ฉันหน่อยมันหวแล้วมันจะเกิดอาการน้อนในขึ้นมามันจะมีแผลในปากตอนแรกก็ไม่ทราบว่าแผลในปากนีม่มันเกิดเพราะเหตุใดคนส่วนใหญ่เราดันเป็นแผลในปากก็จะไปหายามาทานยามารับประทานโดยไม่ไปคิดถึงมูลเหตุของการที่จะทําให้มันเกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นอย่างไรคนโบาณก็พยายามสังเกต ด, ดูอยู่เรื่อยๆ เราลดถึงนั้นลดถึงนี้ไปตอนนั้นที่ก็มาเห็นที่ตัวน้ำตาล ว, ว่าต้อดน้ําตาลหน่อยแต่แลดน้ำตานตลนองเทียงสองสามันก็หายไปแล้วถ้าวันไหนเกิดสารน้ำตาลมากขึ้นมากกว่าปกติที่มันสามารถรับได้มันก็จะเป็นเพ น, นังเมี่อกระโดดลอยเอาวันนี้น้ําตาลนี่มันก็เป็นเป็นเหตุที่ทํำมันเจ็บข้าได้เกวด แล้วเราก็ร่างกายเราก็มีมีสัญญาณบอกเช่นอาการที่เป็นอาการร้อนในที่เจ็บมีแผลในปาก่าง้ก็เลยเดีวนี้ไม่เป็นนะแผลในปากเพราะเราพยายามควบคุมน้ตาลแต่อายุมากขึ้นเมื่อไหร่ร้สึกว่าความต้องการน้ำๆาลมันก็ต้องย่น้อยหาลงไปเรื่อยๆโดยใช้ของอ่อนหานได้โดยไม่ต้องตัดท่าบุห น, นี่ไม่ตัดกันเลยของหวา น, นอะไรเลย นะพี่สำคัญนะ ม, มันอยู่ที่อยู่ที่ตัวเราการออกกาลังกาก็ดีการหลับนอนก็ดีมันก็บอกเราตอนไหนถ้าเราน อ, อนไม่พอในร่ า, ากงกายเราเรื่องพลัานไม่กระตุ้นรงกายรู้สึกไม่มีกําลังง่วงเหงาหงายนอนอะไรหลายอย่างนั้นก็เป็นส่วนบอกบอกร่างให้เรารู้ว่าเรากําลังไม่ได้ดูแลรักษาร่างกายเร า, าให้ถูกต้อง เร า, รากำงานตายก็ไม่สวแถ้าเรานั่ ง, น, งนอ น, น, อ, นอยู่เร่อยๆเวลาเราลุกขึ้นมาจะเดินจะทำอะไรเสรก็ไม่มีเรื่องไม่มีแรงแต่ถ้าเราได้ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอได้เดินได้อะไรทำอะไรจะมีกำลังวันฟาเลยถ้าหลับกางนอนอก็เหมือนทำเพราะฉะนั้น <c oughs> ถ้าเราสังเกตดูตัวเราเองว่าเราจะนอนจะรู้ทุกขณะเลยว่าร่างกายของเนี่ยหิว เป็นในส่วนไหแลเวลามันเกิดเป็นไรขึ้นมานี้มันก็สังเกตุได้เ่ราถ่ายท้องนี่มันก็มีหลายสายงเราส่วนใหญ่มันมักจะเป็นเพราะว่าเวลาขันนมถ้าขันลมทุกวันนี่มันไม่เก่นร่างกายมันก็มีเชื้อที่จะทาลายตัวที่ไป่้มันไม่ย่อยแต่ถ้าวันนี้หยุดไปพักวันหนึ่งแล้วกลับมากินใหม่น่มันจะถ รักษาเป็ยา้ายตดูแต่างๆอยสมตลอดเวลาก็ตั้งจต่จบวนมาเนี่ยก็ไม่เคยเอยู่ที่ต้องไปเข้าโรงพยาบาลรักษาตัวแต่รูปทางการเก็บเองแต่มที่อยู่วัดกลางต้นตายก็เคยเป็นบัญหาเรื่องเป็นเป็นไข้คอนเทนเซกก็ไม่รู้ว่าจำได้ว่าเราอยู่ในที่ที่มันชื้นมากอยู่ในป่า แล้วมันมีต้นไม้ขึ้นร่างที่เราพักอยู่แล้วเวลาเราร่างกายมันก็มีคลื่นต้านทานต่ํามันก็เลยทําให้เกิดการเจ็บขึ้นมาไปหาหมอให้หมอฉีดยาเท่าไหร่ก็ไม่หายแต่พอย้ายมาอยู่ที่ทุติยที่โล่งๆที่ไม่มีต้นไม้ขึ้นอยู่คลื่นสองคืนมันก็มันก็บิดเบี้ยวคลื่นขึ้นมาแล้วมันก็มันก็แสดงว่าอากาศที่มันก็ มันก็เป็นเป็ น, เ ป, นเป็นเหตุที่ทําให้เราเจ็บไข้ได้เกิดเหมือนกันเราะฉะนั้นถ้าเราสังเกตดูวเวลาเราไม่สบายเราเร า, เราสังเกตดู ว, ว่าเราไปทำอะไรผิดปกติมาไปรับประทานอาหารอะไรมาหรือเป่หรือไปรับเชื้ออะไรมาอนี้ต่างนี้มันจะมันจะมีเราจะสามารถตอที่จะวิเคราะห์เน่าแล้วก็มีถ้า ม, มีโรคบางอย่างที่รักษาได้ทันทีเช่นถ้าเป็นโรคติดเชื้อ ได้ยาปฏิชีวนะมากินรับประทานแค่สองสามวันมันก็หายแต่ถ้าเป็นโรคที่มันเกี่ยวกับความชราภาพเนี่ยมันก็เป็นเป็นเรื่องที่จะต้องอาจจะต้องใช้เวลารักษาเหมือนฟูมันอยากจะให้มันกลับไปเป็นเหมือนเดิมอย่างที่สมัยเราเป็นเป็นสาวมันก็คงจะเป็นไปได้ยากเพต้องยอมรับกับสภาพของมันที่ว่ามัน ต้องสนใจ ต, ตามตามการตามอรอางเงี้ยแต่ถ้าเราได้ปฏิบัติธรรมด้วยแนละ้วเรื่องการเจ็บใข้ได้ป่วยนี้จะถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาเราไม่ได้ไปฝากความหวังไว้อะไรกับร่างกายนี้มากไปกว่าที่เราเต็มเป็นหรือถ้าเายังปฏิบัติธรรมอยู่ไปยังต้องอาศัยร่างกายปฏิบัติเราก็ต้องอาศัยร่างกายนี้ไป แต่ถ้าเราคิดว่าเราสามารถที่จะปฏิบัติโดยที่ท่างการนี้อยู่ในสภาพไหนเราก็ปฏิบัติได้เช่นมันจะเจ็บใกล้ได้ป่วยแล้วก็ยังนอนปฏิบัติได้อยู่คนบางคนบรรลุเป็นผ้าหลังตอนใกล้ตายก็มีซึ่งรู้เสึกว่าจะเป็นพระราชนิพนของพระพุทธเจ้าเจ้าชายสิทธนะีคณะท่านบรรลุเป็นผ้าเมื่ดวันก่อนจะลิผ่านพระพุทธเจ้าทรงตรัส จะส อ, สอนส อ, สอนเรื่องเรื่องขันห้าเรื่องเรื่องการปล่อยวางทำไม่ใช่ตัวไม่ใือตัวเรื่องของจิตที่ไปไหนไปยึดไปติด ก, กับขันห้างนี้เป็นต้นเมืพิจารณาแล้วปล่อยวางายก็หลุดพ้นจิตกับร่างกายนะมันเป็นคนละส่วนกันจิตถ้ามันอยู่ในท่านที่ เป็นจิตที่มันสามารถปฏิบัติได้ในอื้นทา่แบบนี้มันก็ไม่ไ ม, ไม่สําคัญว่าจะต้องมีร่างกายที่แข็งแรงที่จะต้องเดินจนงกรมนั่งนั่งสมาธิเป็นชั่วโมงชั่วโมงเพราะจิตถ้ามันก้าวไปถึงขั้นระดับปัญญาที่มันหนุนไปเองมันก็สามารถปฏิบัติได้ในพะื้นอทอี่แบบนอยู่ในอื้นที่แบบนี้มันก็พิจารณาได้เพราช่วงนั้นมันจะ มันจะพิจารณาเพื่อตัดอุปทานความยึดมั่นถือมั่นต่างๆผลของอุปทานนั้นก็คือความไม่สบายอกไม่สบายใจความทุกข์ใจเวลามีความไม่สบายอกไม่สบายใจก็พิจารณาหาสเาเหตุว่ายอาไม่สบายอกไม่สบายใจเพราะอะไรเพราะความเจ็บไข้ได้ส่วยหรือเพราะเรากลัวว่ามันจะจะแย่ตอนเดิมนี่เปล่ากลัวว่ามันจะไม่หายหรือเปล่า อ, อย่างนี้มันก็จะทําให้จิตใจมันมีความ ความทุกข์มีความวุ่นวายจากมันก็ต้องพิจารณาให้เห็นว่าร่างกายเน้ไม่ใช่ก็แลยวทกวันหนึ่งมันก็ต้องหยุดทำงานแังไม่สามารถทำงานไปตลอดได้แล้วมันจะหยุดเวลาไหนก็ไม่มีใครไปกำหนดบังคับมันได้มันขึ้นอยู่กับเหตุกับปจัจจัยถ้าเกิดไปโดยโดนพิดโดนเชื้อโรค บ, บางชนิดที่ไม่มียารักษา มันก็ไม่มีทางที่จะหายได้มันก็มีแต่จะรอวันตายอย่างเดียวแต่ถ้าจิตใจพิรณาด้วยปัญญาแล้วล้วก็ปล่อยวางร่างกายได้จิตใจก็เป็นปกติเหมือนกันไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่ได้ทุกกับความเป็นความความตายของร่างกายนี่เป็นปัญญาที่วิเศษเพียรยาลักษาาัง ที่เราเรียกว่าธรรมโอรสธรรมโอรสก็ตุออยารักษาใจธรรมนี้รักษาใจของเราได้แต่รักษายัางอื่นไม่ได้โรคต่างๆทางร่างกายก็ต้องอาศัยอยู่อาศัยยาหรืออาศัยการกําจัดเหตุที่ทําให้มันเกิดเป็นขึ้นมาบางทีโรคมันไม่ได้ไม่ต้องอาศัยยาก็ได้เช่นแต่เราเราเราแก้เห็นที่มันทําให้มันเป็นเช่นถ้าเรา ขาดอาหารเรารับประทานอาหารให้มันมั่นคงบริบูรณ์โลกโลกของการขานอาหารนีนก็าหายไปได้เมือเราไม่สบายเพาเราขาดการหลับนอนพักผ่อนนักพักผ่อนหลับนอนไม่พอเพียงเราก็นอนให้เยอะๆหน่อยักให้เยอะๆหน่อเดี๋ยวร่างกายมันก็ฟื้นกับการสภาพเดิมไปมนกันได้แต่เรื่องจิตใจนี้ถ้าไม่มีธรรมะแล้วพอร่างกาเยเป็นอะไรนิดอะไรหน่อยนี้เกิดความวุ่นวายใจขึ้นมา วิกันวุ่นกันหมดหาหมอหาอยู่หายากันโดยที่ไม่หายาที่มารักษาตัวที่กำลังวิ่งวายอยู่นั่นโดยนี้สําคัญกว่าจิตใจของเราเพราะความทุกข์ทางร่างกายเนี่เมืเ่อเทียบเทียบกับความทุกข์ทางจิตใจแล้วมั น, ม, นมันห่างกันมากถ้าร้อยหนึ่งนี่เก้าสิบเปอร์เซ็นนี่จะเป็นความทุกข์ทางด้านจิตใจความทุกข์ขอทางร่า ง, ยายา ก, า ง, างกายนี้เพียงสิบเปอร์เซ็นต์เอง นั่นคนที่สามารถรักษาจิตใจไม่ให้ทุกข์ไม่ให้เจ็บท้ายไม่ให้ปั่นป่วนไม่ให้นวนายได้แล้วเวลาเกิดอาการเจ็บภ้ยได้ป่วนทางร่างกายนี่มันเจ็บเพียงแค่สิบเปอร์เซ็นท่านนเมันไม่ได้เจ็บร้อเอร์เซ็นเหมือนพวกเราที่ไม่ได้ดูแลรักษาจิตใจเวลาเป็นอะไรนี่เราจะเจ็บเราจะวุ่นวายทางด้านาจิตใจมากกว่าที่จะเจ็บที่ร่างกาย ดรงนนการที่เราเราปฏิบัติทำการนี้ก็ตร็การดูแลรักษาจิตใจนช่ไหมหรือการปฏิบัติทำนี้ก็เป็นการสร้างธรรมโอสถเอายาธรรมนี้มารักษาใจของเราให้ใจของเรานั้นไม่ทุกข์ไม่วุ่นวยต่อ ก, การเปลี่ยนแปลงต่างๆของร่างกายของเร า, เราและของส่วนอื่นๆต่างๆ ท, ที่เราเป็นมีความเกี่ยวข้องด้วย เวลาเราไปเกี่ยวข้องกับใครใกับอะไรที่ไหนถ้าเราไม่มีธรรมะแล้วจิต ใ, ใจเราจะต้องสามป่วนจะต้องวุ่นวายกับสิ่งที่เราไปเกี่ยวข้องบุคคลที่เราไปเกี่ยวข้องด้วยว่เราจะมีความหลงยึดมั่นถือมั่นหรืออุปทานความยึดมั่นถือมั่นติดอยู ก, ก, กับสิ่งต่างๆกับบุคคลต่างๆคนที่เราไปเกี่ยวข้องด้วยเรามีความรักแล้วก็อยากจะให้เขาดีให้เขา สุขใหเขาสบายให้เขาอยู่ไปนนานคนที่เราไม่ชอบเราก็อยากจะให้เขาเขาเขาตายไปด้วยเขาเลวเลยใ้เขาลำบากลำบนก็สุดท้ายแต่แใ่เราจะคิดแต่การเป็นไปเหิงเขาเนั้นมันไม่ขึ้นอยู่กับความอยากของเราเขาจะสุขจะดีหรือไม่มันไม่ได้อยู่ที่ความอยากของเรา เขาจเวล์ลงไปหรือไม่ก็ไม่ได้อยู่ที่าพันธุ์ของเรามันอยู่ที่การธระทของเขาส่วนหนึ่งแล้วก็อยู่ที่ธรรมชาติส่วนหนึ่งธรรมชาติของคนเราทุกคนยั้นมันมีแต่จะเสื่อมไปเมื่อมันเมื่อมันพ้นวัยแห่งการเจริญแล้วเวลาเวลาเกิดมามันในเบื้องต้นก็จะมีการเจริญมากกว่าการเสื่อมแล้วเมื่อมันถึงจุดที่จะเจริญเป็นที่แล้วมันถ้าเริด เกินวงไปการเจริญก็จะน้อยลงความเสี่ยงก็จะมีมากขึ้นต่อเรื่อยๆแบานี้เป็นสิ่งที่ธรรมชาตให้มากับกับสิ่งของต่างๆครับเช่นร่างกายของเราเป็นอย่างนีน้ถ้าเราไม่เข้าใจแล้วเราก็จะ <c oughs> เราจะทุกข์เราจะวุ่นวายตรงไห น, นเพราะเราคิดอยู่อย่างเดียวว่าอยากจะให้เขาอยู่กันนานอยากจะให้เขางไม่เจ็บท้าได้เจ็บ อยากจะไม่ให้เขาจากเราไปแต่มั น, ม, นมันเป็นไปไม่ได้ที่จะเป็นไปตามาจของเรานี่เป็นเรื่องของธรรมชาติอีกส่วนหนึ่งก็อยู่ที่พฤติกรรมของเขาถ้าเขาเป็นคนที่ไม่ระมัดระวังใช้ชีวิตแบบแบบทําลายตัวเองดืนเหล้าเมายาเที่ยวเตะขับรถเร็วอย่างนี้โอกาสที่เขาจะสูญเสียชีวิตของเขาไปเร็ว ว่าปกติเขายอมมเลยเราอยากจะให้เขาแก้พฤติกรรมของเขาเขาก็ไม่แก้เราก็มาทุกข์กับเขามาทุกข์เพราะมาห่วงเขาแล้วก็ต้องมากินไม่ได้นอนไม้หลับไปกับเขาทั้งๆ ท, ที่เราไม่จําเป็นจะต้องไปไปวุ่นวายกับเขาเลยเพราะวุ่นวายอย่างไรมันก็ไม่สามารถที่จะไปทําอะไรได้เพราะมันเป็นเรื่องของเขาเป็นชีวิตของเขา เราก็เลยต้องมาทุกข์กับเรื่องราวต่างๆโดยไม่จำเป็นแต่ถ้าเราได้ศึกษาธรรมะแล้วเราได้สัมผัสกับความสุขความทุกข์ในใจของเราแล้วว่ามันเกิดจากการกระทาของเราเราจะเริ่มรู้จักการปล่อยวางแต่ส่วนใหญ่เรามักจะไม่เห็นความทุกข์ที่เกิดขึ้นภายในใจของเราเวลาที่เราไปยุ่งเกี่ยวกับผู้อื่น เรามักจะมองไปทา ง, งานอกมองไปถึงบุคคลหรือสิ่งของที่เราไปยื่งเกี่ยวด้วยเราเมัวจะไปห่วงเขาจะลืมมองมาที่ใจของเราว่าความห่วงที่เรามีอยู่นี่แหละมันเป็นตัวทุกข์มันเป็นตัวสร้างความวุ่นวายใจให้กับเราทำให้เราไม่มีความสุขเลยแต่เรากลับมองไม่เห็นเรากลับไปมองสิ่งที่เราไปมีความผูกพันอยู่ด้วยจนจะลืมมอง ใจของเราเราก็เลยแทนที่จะแก้รักษาใจของเราให้สงบให้เย็นให้สบายเรากลับไปสร้างความทุกข์สร้างความวุ่นวายให้กับใจของเรามากึ้นเขึ้นไปเพราะเราไม่เคยเข้าหาธรรมะนั่นเองถ้าเราเข้าหาธรรมะแล้วธรรมะจะสอนให้เราย้อนกลับเข้ามาดูที่ใจของาให้เรากลับกำหนดดูทําใจของเราให้สงบให้รู้ว่าความสุกขของใจนั้นเป็นอย่างไร เมื่อเราได้สัมผัสกับความสุขของใจแล้วแล้วเวลาใจของเราไปมีความรู้สึกอะไรกับสิ่งต่างๆภายนอกกับบุคคลต่างๆภายนอกใจมันจะกระเพื่อมขึ้นมามันจะเราจะเห็นชัดเจนว่าเมื่อกี้นี้เรานั่งอยู่สบายๆคนเดียวพอเราไปเห็นสิ่งนั้นเห็นคนนั้นเห็นคนนี้ได้ยินสิ่งนั้นสิ่งนี้คนนั้นคนนี้นพูด ใจของเราก็เกิดอารอขึ้นมาเกิดความรู้สึกต่างๆขึ้นมาเราก็จะเริ่มเห็นเลยว่าใจของเรานี้กำลังไปเอาเรื่องราวต่างๆเข้ามาทำลายความสุขที่มีอยู่ในใจของเราเองแต่ถ้าเราไม่เคยได้สัมผัสกับความสุขทางด้านจิตใจเลยหรือถ้าเราไม่เคยได้ทาจิตใจให้สงบนะเราจะไม่เห็นสิ่งเหลนี้เพราะเราไม่เคยเข้ามามองในใจเราเราจะมองอยู่กับสิ่งภายนอก แล้วก็มีความสุขก้าสุขแบบเล็กๆน้อยๆเวลาที่สิ่งภายนอกหรือบุคคลภายนอกเป็นไปตามความปรารถนาตามความเพาะตามความต้องการของเราเราก็มีความสุขแต่มันก็เชื่อไม่นานแล้าเดี๋ยวมันก็มีความกังวลกับเรื่องนั้นเรื่องนี้ขึ้นมาต่อไปมันก็จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆสลับกันไปแต่ส่วนใหญ่แล้วมันจะมีแต่ความกังวลความวุ่นวายมากกว่าความสุข ความสบายใจที่เกิดขึ้นจากการที่ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามที่เราหวังไว้คาดไว้แล้วถ้าเกิดมันไม่เลิเป็นไปแบบวุ่นวายขึ้นมานี้ก็อาจจะทําให้เราเสียหลักไม่สามารถที่จะดําเนินชีวิตต่อไปได้อย่างปกติกินไม่ได้นอนไม่หลัไม่มีความสุขไม่มีความทิพย์อยากจะอยู่บางคนบร ง, งถึงอยากจะหนีจากโลกนี้ไปก็มี นี่ก็เป็นผลกระทบที่ตามมาจากการที่ไม่ได้ดูแลรักษาใจเราวัวใจไปคอยดูแลรักษาสิ่งภายนอกโดยถ่ายเดียวแล้วชีวิตของเราก็จะเป็นชีวิตที่น้มละลายในยที่สุดเมื่อถึงเวลาที่เราตายไปเราก็ตายแบบคนที่ไม่มีอะไรไม่มีอะไรเป็นที่พึ่งเลยจิตใจเป็นจิตใจที่ เหมือนกับรารญาติขานิสไรที่พึ่งไม่มีความหวังไม่มีอะไรอยู่ในจิตในใจตองตเราแต่ถ้าเราได้ศึกษาธรรมะแล้วเราได้ปฏิบัติธรรมะแล้วเราจะมีมีสาระมีที่พึ่งมีที่ยึดเหนี่ยวจิตใจเรารู้เวลามีอะไรเกิดขึ้นนั้นมันก็เป็นเรื่องที่เราไม่สามารถที่จะตัดหักขามได้แต่สิ่งที่เราสามารถป้องกันได้ก็คือความทก ความไม่หวายใจความเศร้าเสียใจความหมดกําลังจิตกําลังใจมันจะไม่เกิดขึ้นกับจิตใจที่ได้รละการาดูแาด้วยธรรมะการาดูแาจิตใจด้วยธรรมะก็คือการรักษาจิตใจให้อยู่ในภางสงบไม่ให้ไปวุ่นวายกับเรื่องราวต่างๆไม่ให้ไปยึดไปติดไปอยากกับเรื่องราวต่างๆกับบุคคลต่างๆเขา อ, อยากจะเป็นอะไรมันก็เป็นยึงเป็นกรรมของเขา เขาได้ดุได้ดีมันก็เป็นบุญของเขาเขาตกทุกข์ได้ยากมันก็เป็นกรรมของเขาเราพอจะช่วยได้บ้างก็ช่วยเหลือลงไปแต่ก็ช่วยได้เพียงแต่ประทับประครองกันเช่นเวลาเขาล้มลงไปเราก็ช่วยทาให้ลุกขึ้นมาอยู่ได้เวลาเขาตกทุกข์ได้ยากไม่มีไม่มีปัะจายเงินทองไว้ดูแลเรื่องอาหารการกินเราก็พอที่จะสงเคราะห์กันได้ แต่ก็พอให้เขาได้ลุกขึ้นมาแล้วเพื่อเขาจะได้ไใส่ดำเนินชีวิตของเขาต่อไปได้แต่เราไม่สามารถที่จะอุ้มเขาไปได้ตลอดชีวิตเลี้ยงเขาไม่ตลอดมันเป็นไปไม่ได้เพราะเราเองก็ต้องดูแลชีวิตของเราชีวิตของเราในแต่ละวันมันก็จะมีแต่จะรุ่งโรยไปเทียและเทียงน้อยดูแลตัวเราเองนี่มันก็ยากอยางยากอยู่แล้วถ้าต้องไปดูแลคน อ, อื่นอื่นมัน มันก็จะเป็นภาระหนักขึ้นไปใหลายเท่าด้วยกันดัง น, นั้นจึงเป็นใจไม่ได้ที่จะมีคนอื่นจะมาคอยดูแลเราตลอดไปยกเว้นว่าเราเป็นคนที่มีบุญวาสนามากคนทําบุญมามากแล้วมีคนเขายินดูที่จะดูแ ล, แ ล, แลเราเช่งครูบาอาจารย์ของเราอย่างนี้มีลูกศินย์ลกหายเยอะพร้อมที่จะเลี้ยงดูท่านอยูจนถึงวันสุดท้ายของชีวิตของท่านก็ว่าได้ แต่ท่านก็ไม่ได้หวังอะไรจากการเลี้ยงดูของคนอื่นเพราะท่านสามารถดูแลตัวของท่านเองได้หรือท่านดูแลส่วนสํากันท่านก็คือจิตใจถ้าร่างกายมันไม่พ้อที่มันไม่อยู่มันอยู่ไม่ได้ท่านก็ไม่บานทุรังไม่ยื้ไม่เด้งเลยนะปล่อยมันไปดีกว่าไปแบบมันทำไมที่อยู่ทุ้วันก็ไม่ได้อยู่เพื่อตัวท่านเองอยู่ก็อยู่เพื่อคนอื่นอยู่เพื่อตกเงินสั่งซอน ท่านเขาอื่นได้รู้จักเป็นพื้นพึ่งของตนเองด้วยการศึกษาด้วยการปฏิบัติธรรมเพราะฉะนั้นท่านที่ท่านอยู่ท่านก็อยู่เพื่อผู้อื่นแต่ตัวของท่านเองนั้นท่านไม่มีความต้องการอะไรจากสิ่งต่างๆในโลกนี้อยู่แล้วเพราะท่านเห็นรู้ด้วยปัญญาว่ามันเป็นทุกข์ทั้งนั้นสิ่งต่างๆในโลกนี้มันเป็นอนิจจังทุกขังหน้าตาทั้งสิ้นแล้วท่านก็ไม่ยึดไม่ติดกับสิ่งต่างๆที่เป็นอนิจจังทุกขังหน้าตา ว่าถ้ายึดก็เท่ากับไปเอาอก อ, าองทุกเอาความทุกข์เข้ามาใสา่ใจนั่นเองดังนั้นถึงแม้จะมีอะไรมากน้อยเพียงไรจะรู้จักใครมากน้อยถึงไรก็เพียงจกักจั่งแต่ก็รู้แต่เขาจะมาเขาจะไปอย่างไรนั้นมันก็เป็นกรรมของศาตร์ตไปวองไปในลักษณะนั้นศา ต, ตรทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นที่เพื่อนเป็นที่อาศัย การทำดีหรือการทำชั่วก็ต้องเป็นผู้รับถึงขั้นั้ำนี้มีเสน่ห์ของของจิตใจที่ได้รับการปฏิบัติได้รับการอดรมได้รับการพัฒนาจนเห็นสภาพตามความเป็นจริงของสิ่งต่างๆในโลกนี้เห็นสภาพความเป็นจริงของจิตใจว่าควรจะเป็นอยู่ในลักษณะใดแนะก็สามารถทําให้เป็นอยู่ในลักษณะนั้นได้ ก็คือไม่วุ่นวายกับเรื่องราวต่างๆต่อไปจิตใจก็ไม่มีปัญหา ก, กับอะไรทังสิ้นนี่เพื่อเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นผลที่ที่ได้รับจากการที่เรายึดพระพุทธธรรมประสงค์เป็นธาระเป็นที่พึ่งเราพระพุทธธรรมพระสงค์นี้มาเป็นผู้ที่ช่วยเราให้เราได้สร้างที่พึ่งทางด้านจิตใจ ให้<แ>กับใจของเราเมื่อใของเราอยที่พึ่งแล้วาจของเราก็หมดปัญหาไปรากวันนี้พวกเราที่วุ่นวายกันก็เพราะว่ายังถักที่พึ่งเราไม่ได้เราไม่ได้ที่พึ่งที่แท้จริงเรายังหลงยังยึดติดอยู่กับที่พึ่งที่ไม่ใช่เป็นที่พึ่งอย่างแท้จริงที่เรายังหลงยึดติดอยู่กับเรื่องราวต่างๆภายนอะ ยังหวังความสุขจากสิ่งต่างๆภายนอกอยู่ถ้าเราไม่หวังฝันนี้เราก็คงจะออกเดีือดกันหมดแล้วเราคงจะตัดได้หมดแล้วอย่างที่เรายังไม่ได้เดือดกันก็เพราะว่าเรายังยึดมั่ติดอยู่กับสิ่งต่างๆชีวิตของเราที่เราอยู่นกันทุกวันเนี่ยเราก็ยังยึดติดอยู่กับชีวิตแบบนั้นอยู่มีบ้านอยู่มีบ้านเราก็ยึดติดกับบ้านมีอาหารมี การกินอย่างไรเราก็ยังยึดติดอยู่กับอาหารการกินอย่างนันอยู่เพราะว่าเวลาเราออกบวชเราจะไม่สามารถเลือกอาหารเลือกบ้างที่เราเคยมีได้เราต้องอยู่กันแบาตามมีตามาเกิดคือเราจะไม่ยึดสิง่งเหล่านั้นเราเพียงแต่อาศัยสิ่งเหล่านั้นมาเป็นเครื่องสนับสนุนในการประพฤติตปฏิบัติสร้างสารนะภายในให้เกิดขึ้น เราเพียงแอาศัยตระกายสีเช่นที่อาศัยยารักษาโรคเครื่องหมอาหารมาเลี้ยงดูอัตภาพร่างกายเพื่อให้เราได้มาปฏิบัติธรรมมานั่งฟังเทศน์ฟังธรรมมานั่งสมาธิมาเดินจงกรมติเจนาอนิจจังทุทางอนัตตา <c oughs> เพื่อตัดความหลงตัดความยึดมั่นถือมั่นในในสิ่งต่างๆที่เป็นทุกข์ที่เป็นอนิจจังเป็นอนัตตา ไม่ให้เราไปยึดไปติดกับมันมันมีอยู่ก็รู้ว่ามันมีอยู่ตามเรื่องของมันแต่ไม่ได้ไปหวังอะไรจากมันเราหวังอย่างเดียวก็คือความไม่่ีวานใจความสงบขางจิตใจถ้าจิตใจอยู่ในความสงบแล้วแม้ร่างกายนี้จะเป็นอะไรไปมันก็ไม่เกี่ยวข้องกันถ้าร่างกายจะตายไปในขณะที่จิตสงบจิตก็ไม่รู้สึกอา แต่ถ้าจิตไม่อยู่ในทางสงบจิตมาเกาะติดอยู่กับร่างกายคิดว่าร่างกายเป็นตัวเป็นตนเวลาร่างกายเป็นอะไรไปจิตใจจะมีความกระสับกระสายมีควา ม, ม, ว, า ม, ม, มว้าวิ่งขุ่นงัวมีความทุกข์เป็นอย่างมากแต่ถ้าในขณะใดเวลาใดถ้าเกิดมีปัญญาขึ้นมาแล้วตรงได้ในขณะนั้นจิตจะเย็นลงทันที จิตจะฟังตัวเราจะนิ่งแล้วร่างกายจะเป็นอะไรมันก็มันก็เป็นเหมือนเดิมอยู่แต่พงที่เปลี่ยนแปลงไปนั้นก็คือจิตใจจิตใจจากความวุ่นวายาสับสนอโลมานขาที่ยึดขาที่เกาะไม่ได้ว่าจะทําอย่างไรความตายที่กําลังมารออยู่ถ้าทำ การเข้าใจว่าร่างกายมันเป็นธรรมดาที่มันจะต้องแตกจะต้องดับในเรื่องปฏิกิริยามรับความจริงนี้ปล่อยให้มันเป็นไปตามก่อมจริงไม่ฝืนไม่คิดที่จะไปหาอยู่หายาหาหมออะไรมาแก้มันแล้วปล่อยให้มันเป็นไปเะนั้นแหละถ้าปล่อยได้อย่างจริงๆแล้วจิตมันจะดึงลงสู่ความสงบแล้วมันจะรู้สึกสบายเหมือนกับว่ายกภูเขาออกจาอก เมื่อที้มีความอยากจะอยู่เหมือนกับเป็นทุกข์เธอมาถ้าเป็นท้าตายพอยอมตักความอยากอยู่ได้นี้เท่านั้นเองยอมตายถทนั้นเองจิตมันก็ปล่อยพอปล่อยแล้วทีนี้มันก็สงบมันก็เหมือนกับเวลาเรานั่งนั่งสมาธิเวลานั่งสมาธิตอนต้นมันก็ไม่สงบเพราะจิตมันยึดจิตอยู่กับยึดเสียงจิตน้อมคุณธกับเรื่องราวต่าง เวลานั่งพุโทโธพุธโทโธไปมันก็จะแว บ, บกลับไปหาเรื่องนั้นหาเรื่องนี้ัแสดงว่ามันยังไม่ปล่อยแต่ถ้าเรามีสติควบคุมบังคับให้มันอยู่กับพุโทโธพุธโทโธไปได้อย่างต่อเ น, นื่องกระทั่นเราไม่มีโอกาสที่จะแวบไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆได้มันก็ถูกมันก็ต้องปล่อยชั่วคราวมันไม่ได้ปล่อยด้วยปัญญาแต่ปล่อยด้วยกําลังของของสติของพุทธานุสติ การเวยการคิดโต้ยังต่อเนื่องมันเป็นอุบายขสมาธิผู้จะเดินจิตมุ่งใจให้ออกจา ก, กรูปเสียงจิตและขปถะออกจากเรื่องราวต่างๆถ้ามันมีแรงมากพอฝ่ามแรงที่จะเดินออกไปแรงที่จะเดินเข้ามีมากกว่ามันก็จะทําให้จิตสงจิตก็จะรวมตัวขณะนั้นมันก็สงบน่งเย็นสบายมันจะสงบได้ไม่นานหรือชั่วคราวอาจนานบ้างสําหรับบางคนอาจจะ ไม่งานสําหรับบางคนแต่มันก็จะอยู่ได้ถ้าเหลียวแลเดี๋ยวมันก็ออกมาพอออกมามันก็ต่างกันกับเวลาที่เข้าไปเวลาเข้าไปเนือยเราอยู่จากข้างนอกอยู่จากที่ร้อนร้อนเข้าไปในห้องแอร์ที่เย็นเฉียดเข้าไปเรารู้สึกว่าเย็นเย็นสบายพอออกจากห้องแอร์อไปข้างนอกก็จะสัมผัสกับความร้อนที่มาสัมผัสทันทีแต่ในเวลาที่จิตโยมลงในสมาธิที่เหมือนกันได้เข้าไปอยู่ในห้องแอร์ พอออกจากห้องแอร์ก็เหมอนกัออกมาสัมผัสกับความร้อนที่อยู่ภายนอกแต่เราจะเริ่มเห็นความแตกต่างอย่างทัดเทียมนะว่าจิตใจของเราดวงเดียวกันนี้แหละแต่มันสามารถคลิกจากร้อนมาเป็นเย็นได้จากเย็นมาเป็นร้อนได้อยู่ที่เราจะควบคุมบังครับให้มันอยู่ส่วนไห น, นเท่านั้ เมื่อเรารู้แล้วว่าวิธีการที่จะทําให้จิตของเราสงบนั้นก็คือการทําสมาธิการตื่นหนี้การหาที่สงบที่สนับการหนีจากลูกเสียงกลิ่นรสกฎธรรมะต่างๆเราก็ต้องมีความบากบั่นมีความสาหะมีความขนควายมีความภาคเพียรที่จะแสวงหาความสอย่างนี้ถ้าเราลองได้สัมผัสเพียงครั้งเดียวแล้วต่อไปเราจะมีการัง จ, จิตการนำใจ เรารู้แล้วว่าผลที่เราจะได้รับจากการที่เราต้องเสียสละนั้นมันคุ้มค่ากันเหมือนกับคนที่ต้องซื้อลอตเตอรี่กันเนี่ยเขาไม่เคยถูกแต่เขาก็ยังซื้อกันอยู่เรื่อยๆแล้วเขารู้ว่าถ้าเกิดถูกขึ้นมาสักครั้งหนึ่งมันคุ้มค่าเสียแค่ห้าสิบบาทร้อยบาทได้มาเป็นล้านางนี้ทำไมจะไม่คุ้มค่างั้นใดที่เราก็เหมือนกันเราเพียงแต่ไม่ได้ไปเที่ยวไม่ได้ไปเนื้หอนหนังฟังเพงไม่ได้ไปงานปาร์ตี้ของเพื่อนฝูง แล้วไปอยู่วัากันสักสองสามวันอย่างนี้แล้วทําจิตใจให้สงบได้ถ้ามันสงบได้จริงๆแล้วรับรองได้ว่าจะไปวัดอยู่นี้เนี่อยๆจะไปปฏิบัติตรอยู่เรืยที่ไปแล้วมันไม่ได้มันถึงไม่ค่อยอยากจะกลับไปกันไปแล้วมันทรมานเพรามันต้องฝืนจิตฝืนใจมากฝืนกิเลกกิเลสเคยชอบดูหนังฟังเพลงก็ไม่ได้ดูหนังฟังเพลง ชอบกินอาหารนอย่างนั้นอย่างนี้ชอบนอนที่ที่ที่สบายก็จะไม่ได้ทำอย่างนั้นมันก็เป็นการทรมารจิตใจแต่ถ้าถ้าได้ทำแล้วมันได้ผลแล้ว เ, เรื่องเหล่านี้จะเป็นเรื่องเล็กน้อยไ่เพราะว่าผลที่ได้รับจากจากการทําจิตใจให้สงบ น, น, นี่มันเป็นมันเหนือสิ่งองื่นๆเหนือความสุขอื่นอื่ความสุขอื่นอื่นที่เราได้สัมผัสมา ความสุขได้ไปเที่ยวไปดูหนะังฟังเพลงไปรับประทานอาหารไปดืนะ่อะไรต่างๆนี้เมื่อเทียบกับความสุขที่ไดท้ที่เกิดจากความสนงกของจิตใจแล้วมันห่างกันเห็นป้ากับดีนีนมันความเหน็ดเหนื่อยเมื่ อ, อล้ความทุกข์ทรมาร์ลาบากอดทนอดกลั้นต่างๆมันจะรู้สึกว่ามันไม่ใช่เป็นเรื่องใหญ่โตมันคุ้มค่าก็เหมือนกับคนที่เขา ซือลอเตอรีก่กันอยู่ทุกวันซื้มากี่ปีไม่เคยถึง ก, ก็ยังมีกําลังจิตกําลังใจงที่จะซอยู่ยนั้นยดการปฏิบัติธรรมก็ควรจะเป็นอย่างนั้นขอให้เรามองว่ามันก็เป็นเหมือนกับการถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งถึง แ, แต่ว่าเรายังไม่ถึงแต่อย่างน้อยเราก็ยังไม่ไมท้อแท้เรายังมีกําลังจงิตกําลังใจที่จะบากบัน่นไปปฏิบัติ ถ้าไม่ได้ไปที่วัดก็พยายามปฏิบัติที่บ้านไปก่อนก็ยังดีอย่าไปรอโอกาสรอจังหวะเพราะมันอาจจะไม่คม่มีชีวิตของเรามันมีเรื่องยุ่งววายมากมีธุระภารกิจต่างๆว่าถ้าเราไม่สร้างเวลาให้กับเรื่องเหล่านี้เราจะไม่มีเวลาให้กับเรื่องเหล่านี้ <c oughs> แต่ถ้าเรามองเห็นว่ามันเป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดเป็นสาธารณะเป็นที่พึ่งของเราเป็นเคพื่อนเพื่อนระยามะยาวจริงๆ เวลาตกทุกข์ได้ว่าป่าเปลี่ยวใจถ้ามีธรระแล้วมันไม่มีความรู้สึกว่าวไม่มีความรู้สึกว่าไม่มีเพื่อนไม่มีอะไรนะเวลาเจ็บคไายได้สวยเวลาตายตาไม่เคยคิดถึงเขาไม่เคยคิดว่าทำไมคนนั้นไม่มาเยี่ยมเราวันนี้ไม่มาหาเราไม่เคยคิดเพราะมันมีมันมีที่พึ่งอยู่ภายในใจก็คือความสงบพอมาสงบแล้วมันก็ไม่ได้คิดอะไรทั้งสิงมันเน่องอยู่มันจะไปคิดอะไรได้ ที่มันนี่ที่มันคิดกระพร้อมไม่สงบเนี่ยยิ่งคิดมันก็ยิ่งคลุ้งซานใหญ่ยิ่งคิดก็ยิ่งทุกข์ยิ่งวุ่นวายใจไปใหญ่ก็เลยยิ่งไปทําให้อาการเกิดข้นได้ป่วยทำนุษย์ลงไปมากขึ้นไปอหญ่แต่ถ้าจิตสงบแล้วปล่อยให้น่ากายมันพักผ่อนไปบางทีมันก็หายของมันเองโรคบางอย่างมันเกิดจากการที่ไม่ได้รับพักผ่อนพอเพียงทั้งเองถ้ามันได้รับการพักผ่อนพอเพียงเดี๋ยวถึงเวลามันก็คลื่นหรืมันขึ้นมาได้ นี่ก็คอเรื่องของธรรมโอษฐะพลังะที่เป็นที่พึ่งที่เราควรที่จะให้ความสนใจรีบขวนขวายสร้างมันขึ้นมาเหมือนกับเราควรจะมียาเตรียมไว้ในบ้านของเราเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยจะได้รู้จะได้หยิบมารักษาได้ทันทุกทีไม่ใช่ไม่ใช่เวลาตอนที่เราสบายก็ไม่สนใจที่จะไปหาหยิบขายยามาเตรียมไว้ พอเกิดเก็บให้ได้ป่วยขึ้นมาก็ไม่มียามารักษาภายใ น, นธรรมโอรสนี้ก็เป็นหอนอนยารักษาใจถ้าเรามีแล้วเราจะมียาคอยอดูแลรักษาโลกใจของเราโลคจิตของไม่ให้มันกาเลิบไม่ให้มันสร้างความทุกข์ให้กับเราถ้าใจเราไม่มีความทุกข์แล้วไม่มีปัญหาอะไล ท, ทั้งสิ้นอะไรในโลกนี้จะเป็นอะไรอย่างไรมันก็เป็นต า, ามเรื่องของมันโลงนี้มันก็เป็นอย่างนี้มาแต่ดั้งเดิม แล้วมันก็จะเป็นอย่างนี้ต่อไปในอนาคตมันมีการเกิดมีการดับไปเป็นธรรมดาโลกนี้มันก็ไม่ได้จะ อ, อยู่ยนี้ไป ต, ตลอดทุกวันนึงมันก็หงังระเบิด เ, เ, เ, เ, เ, เป็นเสียงๆไปแล้วมันก็มีโลกใหม่ปรากฏแทนขึ้นมาใหม่ดวงจิตนี่มันสามารถไปได้ทุกแผงทุกหนในจักรวาลนี้คาถาจิตนี่มันไปเร็วยิ่งกว่าจรวดเวลามันจะไปเกิดที่พบหนวภูมิหนโลกนั้นมันไปได้ทันทีทันใด ฉะนั้นไม่ต้องไปกังวลเรื่องโรกภายเ now นั้นมันมันไม่มีอะไรที่เราควรที่จะไปยินดีกับคนจะมองว่ามันเป็นเหมือนกับกองไฟมากกว่าเราอย่าไปเป็นแบบเมงเมาเห็นกองไฟแล้วเกิดอาการดีอกดีใจแมาเมานี่มันชอบแสงไฟแต่มันไม่รู้ว่าไฟนี้มันมีความร้อนอยู่ด้วยพอมันเห็นแสงไฟมันก็ยิงเข้าไปหามันก็ถูกความร้อนนั้นเผาผลาญไปนั้นได้ พวกเราจิตพวกเราที become, it, ่ย so ังมีความความอยากอยู่มันก็เป็นแง่แหน่งเรายังอยากในกลามมองเห็นมีที่ไหนมีรูปมีเสียงมีกลิ่นมีรสมีโสตปะสาทมันก็จะยิ่งเข้าหาแต่นี้เมื่อเคยเห็นว่ามันมีอนิจจังทุกขังรักษาอยู่ในติมของก็เลยกลายก็เลยต้องไปทุกข์กับสิ่งต่างๆเหล่านั้นเกิดมากีบพบกีบฆ่ามันก็ต้องมาทุกข์แบบที่เราทุกข์กันอยู่เสมทุกวันนี้ แต่ทุกมากทุกน้อยก็ขึ้นอยู่กับธรรมะที่เรามีอยู่ในใจของเราถ้าเรามีธรรมะมากทุกเหมือนกันน้อยถ้ามีธรรมะน้อยทุกเหมือนกันมากดังนั้นก็ควรที่จะสร้างธรรมะมีให้มากขึ้นๆด้วยการเข้าหาภาษาศาสนาหาที่บาอาจารย์หาหนังสือธรรม ะ, รรมะอ่านกันศึกษาไปเรื่อยๆแล้วพยายามนำมาไปปฏิบัติต้องเฝึกต้องบังคับ จะอยู่จะให้มันปฏิบัติด้วยความพออกพอใจเหมือนกับการไปดูหนังฟังเพลงนี่มันเป็นไปไม่ได้เพราะมันมันมันมันฝืนมันมันตรงกันข้ามคือเหมือนกับคนที่ถนัดมือขวาแล้วอยู่จะให้มาใช้มือซ้ายโดยความพอใจนี้มันเป็นไปไม่ได้ต้องบังคับใช้มือซ้ายเช่นสมมุติว่าแขนขวาเราเกิดถาดไปใช้งานไม่ได้เราก็ต้องอาศัยมือซ้ายแขน เราก็ใช้มันได้เราฝืนบังคับใช้มันไปขัดใช้มันไปเขาขยะนหน่อต่อไปเราก็ใช้มันได้ดังนั้นการที่เราจะหาความสุขจากความสงบนัน้นก็เป็นการฝืนเพราะส่วนใหญ่เราจะหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นแล้ว์ปัจจุบันเรื่องง่ายเรื่องการไปดูหนังฟังเพลงไปเที่ยวกันนี้แทบไม่จะแทบไม่ต้องชวนกันเลยเพถึงแต่นัดกันเท่านั้นเองให้รู้เวลาก็ไปละ แต่เรื่องการนักไปปฏิบัติธรรมนี้อาจจะต้องนัดกันเป็นเวลาหลายเดือนนัด ก, กันหลายครั้งหลายหนก่อนจะไปกันได้ดังนั้นเราต้องต้องกําหนดเวลาขึ้นมาในเรื่องของการศึกษาธรรมะในเรื่องของการปฏิบัติธรรมถ้าจะปล่อยให้เป็นตามการอัธยาสายตามความ พ, พอใจแล้วก็อาจจะไม่เกิดขึ้นเกิดขึ้นก็จะตาม ตามนิ ส, สัยเดิมที่มีอยถ้าเคยจะสมมาทางนี้มากหน่อยก็ อ, อาจจะปฏิบัติศึกษามากหน่อยเข้าหาธรรมะมากหน่อยแต่ถ้าไม่เคยไม่เคยมีมีนิ ส, สัยทางนี้มาเลยก็ยากาเราจะต้องอาศัยเพื่อนฝูงพาไปบ้างช่วยไปบ้า ง, าางแล้วอาศัยความความการบางังคับจิตใจคือเห็นว่ามันเป็นสิ่งที่ดีเหมือ น, นกับพอเราเจ็บไายได้ป่วยแล้วอยากจะหายจากโรค ใจเมื่อชอบกินยาก็ต้องบังคับตัวเองให้กินยาถ้าไม่บังคับก็รู้ว่าไม่กินยามันก็ไม่หายแต่ในธรรมะนี่ก็เป็นเหมือนยาถ้าเราอยากจะให้จิตใจของเรามีความมัน่นคงมีความสบายมีความสุขเราก็ต้องกินยาคือธรรมะโอรสเนี่ยเราต้องบังคับตัวเราเองพยายามเดินตัวเราเองให้เข้าสื่อทางศาสนาให้มากที่สุดเท่าที่จะมากไนดะ้งานทางโลก งานเรื่องที่ยวเรื่องกินเรื่องดื่ก็พยายตัดมันไปให้มันน้อยลงไปน้อยลงไปไปเท่าที่จําเป็นอันไหนที่ไม่จําเป็นก็ตัดมันไปแลกเปลี่ยนกันแทนที่จะไปดูหนังฟังเพลงก็ไปไปฟังธรรมะไปอ่านหนังสือธรรมะไปนั่งสมาธิที่ไหนก็ได้ในบ้านเราก็ได้ที่ไหนที่สะดวกที่เราทําได้ก็ทำไปพยายามทําไปเรื่อยๆแล้วมันจะง่ายขึ้นไปเรื่อยิ่งทํามากเท่าไหร่ก็จะยิ่งง่ากขึ้นไปเรื่อยๆ ยิ่งต่อไปมียากาศเป็นความสบายเป็นความถนัดไปวันไหนถ้าไม่ได้ทํราแล้วรู้สึกว่าขาดอะไรไปพอเราเข้าถึงขั้นนั้นแล้วการปฏิบัติของเราก็จะเต็มไปอย่างง่ายดายยิงถ้าเรายังอยู่ในขั้นที่ที่ต้องต่อสู้ต้องพยายามถึงก็พยายามอดทนพยายามบังคับตัวเรืเ่อยๆอย่าท้อแท้ไม่มีงานใดในโลกนี้จะสําคัญเท่งกับงานสร้างธรรมะให้เกิดขึ้นภายในจิตใจของเรา มันเป็นสมบัติที่แท้จริงของเราเป็นที่พึ่งที่แท้ทจริงของเราสิ่งอื่นในโลกนี้ไม่ใช่สมบัติไม่ใช่ที่พึ่งของเราต่อให้เรามีมากนะ้อยเท่าไรถึงเวลาที่มันจะทุกข์เลยถึงเวลาที่ใจเราทุกขนะ์แล้วสิ่งเนี้มันมาดับทุกข์ให้กับเราไม่ได้ึงอย่างให้ท่านทั้งหลายจงเห็นความสําคัญของธรรมะแล้วก็พยายามศึกษาและปฏิบัติถ้าที่จะสามารถปฏิบัติได้ทางแสดงก็ทุกข์ยากสงค์ใจเวลา ก่อนยึดติดเลยเดี๋ยนแค่นี้คือขั้นต่างก่อนเวลาทุกอย่ามันจะต้องเสียเสียงใช่ไหมิงได้ไหมคะไม่ต้องเขาลงดูที่สติมากกว่า <c oughs> สติอเอาแตรงๆมันก็ไม่องพิง <c oughs> มนุษย์ราชอบไปหาหาเรื่องมาเป็นภาระเป็นตัวที่เป็นตัวที่จะต้องทำมะค่าทำอะไรเพาะความป่วยค้างพความชาบาความสบายอะไรทุกเพาตัวเองอะไรพึ่งตัวเองไม่ได้ต้องมวัวแต่พึ่งสิ่งนั้นพึ่งสิ่งนี้แล้วนั่งสมาธิก็ต้องมีที่นั่ง เป็นเบานั่ง ม, มีเวลาไปนนั่งที่ไหนไม่มีบบานั่งก็นั่งไม่ได้นะนพยายามนั่งแบบที่ไปอยู่ที่ไหนก็นั่งได้ไม่มีบบาไม่มีอะไรนั่งกับพื้นมันเองนั่งได้ก็นั่งได้ยิ่งมีอะไรมากวันนี้เรื่องมากทําให้การปฏิ บ, บัติมีเรื่อไขยมากทําให้ยากขึ้นการที่จะทําให้มันมง่ายๆมันจับเป็นเรื่องยากกัน ถ้าใหม่ๆมันก็จะทาให้เราหลับเะ่ามันสบายมันสบายแล้วมันเป็นไม่ดีงานมีต่างๆว่าบางครั้งที่เราตั้งสมาธินะคะบางครั้งเราก็จบนะคะบางครั้งเราไม่ก็ไม่จทีนี้เราก็มาตั้งเทียวขาพี่ยามาส่งก็ไม่ทำยังไงเนาะไม่เคยบอกแบบนั้นก็คนทีออกก็ทำยังไงเาม่นกี่ไรก คือท่านก็สอนบอกว่าเวลาที่เราจะเวลาเราสงบแล้ว เ, เราออกจากสมาธิเวลาที่เราเลิกเราควรจะมาทบทวนว่าออวันนี้เรานั่งอย่างไรแล้วมันสงบอย่างไรเราพยายามจำอย่้งไรก่อนแต่ถ้าเราจําไม่ได้ก็เราเราก็ต้องมาทบทวนใหม่มานั่งคิดใหม่แต่ความจริงมันก็อยู่ที่ใจเราเป็นหลักว่าใจเราเนืองไม่ไปหวังผลจากการนั่งคื อ, อยังไปคาดว่าวันนี้โอ้จะนั่งนั่งให้สงบให้ได้ นีม่มันเป็นการง่ า, งาเป็นการสร้างความกดดันให้กับเราะสองแล้วเราก็จะนั่งเริงถึงว่าเมื่อไหร่จะสงบตะกีเมื่อไหร่จะสงบตะกีอันนี้ไม่ใช่เป็นเหตุที่จะทําให้สงบจิตมันสงบได้ก็ต่อเมื่อมันลืมเรื่องราวต่างๆเทั้งหมดให้มันอยู่กับปัจจุบันให้มันอยู่กับลมหายใจเข้าออกให้อยู่กับคําบริกรรทุดโทุดโอย่างนั้นอย่างเดียวเท่านะั้นแหะมันถึงจะสงบได้ มันจะสงบยากหรือไม่ยากบางทีมันก็ขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ในวันนั้นด้วยบางทีวันนั้นเราอาจจะไปมีเรื่องมีราวมีกับใครคนนั้นคนนี้มีอารมณ์เยอะอารมณ์ข้างๆอยู่เยอะมันก็อาจจะเคลียร์ยากทาให้สงบยากเลยแต่บงางวันถ้ามันไม่มีเรื่องมีราวอะไรเลยแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นไปได้ตามความพอใจความต้องการของเราใจของเราก็ไม่มีอารมณ์กับอะไร เวลามานั่งแล้วใจไม่ไปยึดไปติดไปคิดกับเรื่องราวต่างๆที่ผ่านไปแล้วในอดีตและก็ไม่ได้แต่หวังว่าจะต้องสงบในอนาคตที่จะนั่งนี้งแต่ขอให้ได้อยู่กับพุโทธโธพุทโธกลานนีะ้มันก็จะสงบได้าหลักอยู่ที่สติกับพุโทโธหรือสติกับลมหายใจเขาเรียกว่าอานาคานะสติไงห้มีสติอยู่กับลมเข้าลมออก เลือกพุทานุสติก็ให้อยู่กับพุทโธมีสติรู้อยู่กับพุทโธนี่คือหลักของการทําจิตให้สงบให้อยู่ในปัจจุบันให้อยู่กับงานที่เรากําลังทำอยู่จะเป็นการบริกรรมก็บริกรรมไปจะเป็นการสวดมนต์ก็สวดมนต์ไปแต่อย่าไปคิดเรื่องราวต่างๆที่ผ่านไปแล้วหรือคาดแค่ไหนถึงผลที่ยังเกิดขึ้นแากการสวดมนต์หรืจากการบริกรรมพุทโธว่า ออวันนี้เวลายังดีเดี๋ยวจะต้องสุบแน่ๆอย่างนี้ก็คิดไม่ได้นไปคิดทั้งสิ้นวันนี้จะต้องเป็นเหมือนเมื่อวันก่อนแน่นอนถ้าคิดอย่างนี้มันไม่สมุกแล้วมันจะเริ่มเกิดความกังวลกับความยินวายจใจขึ้นมาแล้วก็จะกลายเป็นนิวันขึ้นมาเพราะฉนั้นต้องพยายามอย่าไปคิดถึงอดีตและไม่ต้องไปคาดถึงอนาคตขอให้อยู่ในปัจจุบันให้มีสติรู้กับงานที่เรา กำหนดให้จิตทำถ้าพุโทโธก็พุโทโธอย่างเดียวอย่าไปคิดแต่งนิโรธต่างๆถ้าจะกำหนดดูลมหายใจเข้าออกโดยไม่ใช้การคอยกรรมก็ให้ดูแต่ลม อ, อย่างเดียวลมหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้ถ้าสังเกตดูว่าลมมันสัมผัสตรงไหนชัดเห็นชัดก็ให้เกาะอยู่ตรงจุด น, นั้นก็ได้เช่นแถวปลายจมูกหรือบริเวณเหนือลินฝีปากขึ้นมาลมมันจะสัมผัสตรงนั้นเวลาเข้าเวลาออก เราไม่ต้องตามลมเข้าไปไม่ต้องตามลมออกก็ได้ให้อยู่ที่จุดนั้นทุดเดียวอันนี้แล้วแต่ความถนัดบางคนก็ไม่ถนัดลมแต่ถนัดทุทโธบางคนก็ถนัดทั้งสองอย่างหายใจเข้าก็ว่าพุทหายใจออกก็ว่าโทหรือหายใจเข้าก็พุโทโธหายใจออกก็พุโทโธอันนี้ต้องแลกแตุ่ดวิสัยคือจะไปทำเหมือนคนอื่นไม่ได้แต่และคนนี้อาจจะมีความแตกต่างกัน ิระพุกธเจ้ามกำหนดกรรมฐานไว้ถึงสี่สิบชนิดนี้วยกันไม่ได้มีแต่พุโทโธอย่างเดียวหรืออนาปัญสติอย่างเดียวบางคนอาจจะชอบกำหนดดูโครงกระดูกก็ได้บางคนกำหนดหลับตาแล้วเพ่งกํานังให้เห็นโครงกระดูกขึ้นมาแล้วก็กำหนดเกาะอยู่กับโครงกระดูกนั้นก็ได้บางคนชอบพิจารณาความตาจะอาจจะพิจารณาดูแค่ส่วนของคนนั้นก็ได้ไว้เป็นอารมณ์ก็ได้ แล้วแต่จะถนบางคนจะชอบสีก็กําหนดเป็นสีขึ้นมาบากตาแล้วกําหนดให้เห็นสีแดงให้ปรากฏอยู่ในจอภาพของใจแล้วพยายามรักษาสีแดงมันให้แดงไปเรื่อยๆอันนี้มันแล้วแต่จลนิสยัยของแต่ละค น, นที่เคยฝึกมาก่อนในอดีตแล้วมเมื่อเรามาเรอชาตินี้เราก็มาทําต่อบางคนถ้าไม่มีประสบการณ์มาก่อนใหญ่ก็อาจจะ ชอบบังงได้อย e, ่างใดอย่างหนึ่งก็ทำได้เพราะเจริญนี้ท่านก็บอกมีอยู่ถึงห้าเจริญด้วยกันมีมีศรัทธาเจริญมีโทสะเจริญโมหะเจริญโลขะเจริญแล้วก็มีพุทธพิเจริญพุทธเจริญนี่ท่านหมายถึงพวกปัญญาพวนี้มักจะชอบพิจารณาความตาย พิณาอาการสาริกสองของร่างการยรอาการใดอาการนี้งของร่างกายข้อมูหาจริติขั้นก็าชอบอพวกอนาตนสติผู้ศทธาจดิต็ชอบพิ ธ, ธาเมาสติทา่ชอบเชื่ออระพิ ธ, ธาะสมนี้ก็จริญพิ ธ, ธาเมสติธรรมานมสติอันคาเมสติข้อโทสะจริตทั้งก็บอกควรจะเจริญด้วยเมตตาภาวนาเพื่อรับดับความตัว แต่ถ้าสมมติว่าปกติดูลมแล้วก็บางวันนี้ความรู้สึกว่ามันไม่ไม่จับไม่ง่มีเราเปลี่ยนเป็นคำว่าตนาะเป็พุทโธได้ไ้มครได้แล้วแต่เราจะเได้เพียงแต่ว่าอย่าไปเปลี่ยนมั น, นบ่อยๆเราลองวิธีใดวิธีหนึง่งนะเราพยายามเกาะใช้วิธีนั้นให้มันทํางานดีกว่า<ม>ดีกว่าที่เราใช้วิธีนี้แล้วก็เปลี่ยนเป็วิธีนั้น เราจะอาจจะไม่ได้อะไรทักอันหนึ่งใชนะพอเราควรจะมีอันใดอันหนึ่งเป็นเป็นหลักของเราในการเริ่มต้นแต่เมื่อภาวนาไปแล้วพอมันพอมันขึ้นไปสูงกว่าดนั้นแล้วมันจะมันจะเปลี่ยนไปคือมันจะบางครไม่ต้องอาศัยลมไม่ต้องอาศัยบางครั้งแต่มีสติกำหนดให้จิตมุ่งมือนกันนึมได้ หรือเราอาจจะเข้าสู่ขั้นปัญญาแล้วก็ไปสู่การคิดพิจนาแต่แต่เมื่อเราเอาคิดพิจนาไปแล้วเราต้องการจะพักเราก็ต้องย้อนกลับมาสู่การทําจิตให้สงบแล้วก็อาจจะต้องกลับมาที่ที่กรรมฐานเดิมที่เราเคยใช้อยู่อาจกลับมาหาพิโทูละอกลัมาหาเรื่ออื่นก็ได้แต่ท่านสอนเล่าควรจะฝึก ด้วยกรรมฐานนักรรมฐานหนึ่งที่เราคิดว่าเหมาะกับเราแล้วพยายามทำํำไปเรื่อยๆกับกรรมฐานนั้นดีกว่เปลี่ยนไปเปลี่ยนเลยอยู่เรื่อยๆแล้วเดี๋ยวจะหาหาเหตุไม่เจยวว่าปัญหามีตรงไหนปัญหาทั้งวันทัมันอยู่ที่ตัวเราวกว่าเราไม่มีสติพอคือว่าเวลานั่งเนี่ยสุดมาก ถึงแม้วเรดูแต่ว่าเวลาเราเดินนยเราไปดูกาัดที่ท้าได้ไหครับได้เวลาเดินนี้มันลมนี่มันจะไม่สะดวกเพราะว่าจิมันจะอยากกว่าเวลานั่งลมมันละเอียดกว่าก็จะจะจับมันไม่ได้ก็ดูที่เท้าอย่วงเวลาเป็นารเดินก็ดูที่เท้าเหมือนกัน เท้าขวาเท้าขวาไปโดยไม่มยยไม่ต้ตองมีพูดโธก็ได้อย่าแล้วต้่าต้องให้รู้อยู่ก็ได้าาาเ้ฝ่ให้อยู่ก็ตรงนั้นหลักใหญ่ๆก็คือต้องการดึงคิดให้อยู่ในปัจจุบันไม่ให้ไปคิดเรื่องราวต่างๆถ้าเราท้าซ้ายเท้าขวาแล้วยังคิดเรื่อง น, งาาาางองนั้นเรนี้อยู่แต่ไม่ได้เหมือนกัน้าจะไม่ได้ผลถ้าอยู่กับท้าซ้ า, ายเท้าขวาก็ อ, อยู่สปหรือบางทีคนเดินลับพิจาณาธรรมะก็ได้พิจารณาดูอาการทาก็ได้ ถ้าถ้าถ้าจะดางกายถํากำนิดดือยการใช้จ่อดูผลผลเล็บฟันนัเน้อเอ็นกระเดือยรือต่างสลขทอแจ็ออกเื่องต้นถ้ายังไม่รู้ก็ท่องไปก่อนก็ได้การใช้จมีอะไรบ้างมีบด็เสืมืที่ก้อเยนมีผลมีเล็มีฟันมีหนังมีเอ็นมีกระดืมีอวัยวะต่าง ท่ไปก่อนแล้วต่นมาเมื่อเราจำได้แล้ ว, ลวเราก็มากาหนดดูแต่ละอาการก็่ละผมเป็นยังไงข น, นเป็นยังไงเล็บเป็นยังไงฟันเป็นยังไงหนังเป็นยังไองอยู่ก็เรียกท่องเที่ยวในกายในะครนี่จะเป็นการทําเำจิตให้สงบแต่ปัญหาคือว่าบางทีเราใจร้อนเราทําำรายนิดอะไรหน่อยเราเราอยากจะได้ผลทันที mm hmm. เรื่องผลนี่เราอย่าไปกำหนดยังไง แล้วกําหนดได้ที่เุคือการการพิจารณาการกําหนดจิตให้หยุดกับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งหรือหลายๆอารมณ์ก็ได้ถ้าเราพิจารณากายเป็นอารมณ์กายเราหยุดไปหลังผลจากการกระทำผลนี้ปล่อยมันนี้ครับเหมือนกับเราไม่มีเรื่องมันละมันจะมาให้มันมาเองถ้าเราไปมอัวแต่รอมันจะไม่มาเพราะการรอนี้มันเป็นการ บรรดาไปขัดขวางผลที่จะเกิดขึ้นอย่างที่หลัก่อนนี้ดาท่านชื่อพระอนุนรอจะให้บรรลุทำไม่ได้เพราะพระพเจ้าทรงกำหนดว่าจะต้องบรรลุในคืนในคืนนั้นก่อนที่จะถึงเช้าวันนั้นเพราะว่าเช้าวันนั้นเขาจะมีการประชุมของฆ์ยานาพระอรหันต์ห้าร้อยลูกแล้วพระอนุ์นี้จะเป็นองค์ที่ห้าแล้วหลาท่านยังไม่ได้เป็นพราอาหันต์ในตอนนั้น ท่านก็มีความนิตกมีความกังวลท่านก็มีความพยายามมากพยายามที่จะบรรลุให้ได้เพราะเชื่อว่าพ้าพุทธเจ้ามองทรรมยาแล้วจะต้องไม่ผิดแน่นอนแต่ตำแหน่งก็ต้องทำหน้าที่ของตนก็คือต้องเรื่องความเพียรี้เล่งไปเท่าไหร่มันอาจจะเรืเ่องจนเกินไปเลยถ้าเป็นรถนมล์ก็เกิดจอดเกินป้ายเปเลยป้ายไป <c oughs> ก็เลยต้องต้องย้อนกลับเข้ามา ากิจของท่ามันนั้นไปอยู่ข้างหน้าแล้วไปอยู่ที่การบรรลุปเป็นท่าแลคิดถึงการว่าจะต้องบรรลุในหน้าจะบรรลุเมื่อหไรแค่นั้นเองถ้าคิดอย่งนะใจก็เราไม่ได้ทาวางานไม่ได้ทํ า, าทจิจให้เป็นเป็นปัจจุบันมันไปอยู่อนาคตปอู่อดีตอดีตคือทาคำทำทางานของนั่นตะเจ้าผลก็คือที่จะเกิดเป็นไท่าข้างหน้าใจมันเลยไม่อยู่ในปัจจุบัน แต่พอมันใกล้ถึงเวลาแล้วก็เกิดความรู้สึกว่าคงจะไม่ได้บรรลุแน่แน่ก็เลยปล่อยอนาคตมันมันเป็นก็เลยเป็นแล้วก็ขอพักดีกว่าขณะที่จะพักตัวลงไปอยู่ในขึ้นท่านั่งขึ้นนอนน้่นจิตมันก็หลุดไปตอนนั้นเพจิตมันปล่อยอดุไป อ, อนาคตกลับมาอยู่ที่ปัวทีบัน จิตมันรอมันจะรอช่องออกอยู่นะแล้วต่มันไม่มีช่องออกเพราะเราไปไปกระเดงไปช่องอนาคตช่องปัจจุบันช่องอดีตไม่ให้มันอยู่ในช่องปัจจุบันในเวลาทำธรรมงานมันต้องอยู่ปัจจุบันเป็นอย่างต้องให้มีสติอยู่กับงานที่เราทําอยู่ในปัจจุบันนี้เป็นอพอคิดพับนี้มันก็เป็นอดีตเป็นอนาคตไปมันไม่เป็นปัจจุบันยยกเว้นถ้าเป็นการพิจารณา สิ่งที่มีอยู่ในปัจจุบันแต่มันก็ยังเป็นการพิจารณาอยู่พิจารณาขณะที่พิจารณาผลมันจะไม่เกิดมันพิจารณาแล้วเมื่อมันได้ข้อสรุปแล้วมันรู้ว่าจะต้องทําอย่างไรแล้วเมันถึงจะเกิดตรงขึ้นมามันรู้ว่าต้องปล่อยครับเนี่ยพอมันรู้ว่าปล่อยรื้ว่ากำลังยึดอยู่กับอะไรมี่อกินถ้าไม่ได้พิจารณาจะไม่รู้พอรู้ว่ากําลังยึดอยู่กับอนาคตเนี่ยถ้าปล่อยมันไปตั้งมันก็กลับมาสู่ปัจจุบัน นการภาวนาเพื่อให้เกิดผลนี้มันต้องจิตก็ต้องเป็นตบุมาทีร้อนนี่ยนะมันนย่า้ยาวมาลากันร้อนเยนอาอันรออปแอร์ก็ยนกนเป็นธรรมชาติให้ให้เอาความร้อนนี้ปล่อยให้มันร้อนกัน ให้มันเหนียวแต่ตักให้มันเสื่อเปลี่ยนไปทั้งตัวไม่เป็นไรที่เราเป็นลังเกียดมันเราถึงไ ม, ไม่เป็นไรเป็นเราเป็นปอุปสรรคปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติไม่ไปนสนใจ <c oughs> อย่าไปนสนใจมัน <c oughs> ที่น้องมันก็เป็นเป็นเหมือนกบบาบลาล่างไปแล้วเดี๋ยวเกิดทุกเลืยธ น, นามันก็เหมือนกันไม่ต <c oughs> <แ>้องไปเปิดพยามให้ม<แ>ันเป็นธรรมชาติท<แ>ี<แ>่สุด ยกเล่นว่าถ้ามันเปิดแอร์แล้วมันช่วยช่วยป้องกันเสียงที่เข้ามารบกวนได้อ น, นั้นจะเป็นตัวอย่างจะเปิดให้มันถ้ามันเปิดแล้วมันจะหนาวก็ช่างมันก็ทนชั่วประมันไป ก, ก็ปรับมันได้เี่ยปรับให้น้ำตามที่สุดอ แตความจริงถ้านั่งภาวนาเปานะ็นนานแล้วอากาศมันจะเย็นยังไงมันจะร่างายมันจะเริ่มร้อนมันจะรู้สึกอุ่นขึ้นมาเองถ้ามีถ้ามีแอร์ก็ถือว่ามีบุญแต่แต่ไม่ก็มีปัญหาได้เพราะมันจะติดแอร์ <c oughs> เดี๋ยวมันไปนั่งที่อื่ น, นจะได้ดัง <c oughs> นั้นควรจะให้มันเป็นธรรมชาติให้มันเรียบง่ายที่สุดอย่าไปอาศัยสิ่งายนอกมาเป็นเครื่องประกอบในการภาวนา ยกเว้นสถานที่ที่สงบส ง, งัดวิเวกเท่านั้นเองที่เป็นธรรมชาติโ่เคคิดคิวรู้สึกว่าในขณะที่นั่งดูอยู่นี่มีความรู้สึกว่าปัจจบันอดีตอนาคตนี่มันแทบจะขึ้นมาขี่กันเลยถ้าเจอเพราะว่ามันเหมือนลดลมหายใจอไปมันก็เป็นอดีตไปตรงนี้ค่ะมันลบากมากเลยเพราะมัน ไม่เข้าจะอธิบายแต่รู้สึกว่าเวลาที่ดูอยู่เนี่ยมันเป็นสามตัวซ้อนอย่างนี้คือวัก็ดูตัวตัวเดียวแล้วกันไงต้นใจให้ดูก็ถ้าดูลมก็ดูที่จุดมันเข้ามันออกค่ะเด๋ดูจุดที่มันสัมผัสที่เราคอจะรู้สึกว่าอยู่กันเก่งมันมันเข้าไปมันก็เป็นอดีตมันออกมามันก็เป็นอดีตแต่แล ja okay. ้วอยู่กันจัดกันนี้ตอนที่จุดมันสัมผัสมันก็จะ แต่อัจจิปัจจุบันมันมันจะเป็นยังก็ไม่เป็นไรถ้ามันชล้องมันอยู่ก็รู้รู้ก็ได้สาบได้ถ้าเราไม่คิดปรุงกับมันก็ไม่เป็นไรเพบางทีมันก็เกี่ยวเนื่องกันต่อเนื่องกันมันเหมือนเมื่อวรู้สึกว่าในขณะที่มันต่อไันนี้มันจะมีช่องว่างที่มันจะหลุดออกไปตรงนั้นเหมือนกันมันมันถ้าเข้าดูสังเกตดูมันเหมือนมีช่องว่างอยู่นิดนึ่ง ก็คงไม่เป็นไรมันก็ก็ก็ให้มันอยู่ตรงนั from, who who ้นกันละกันให้มันอยู่เฉยๆถ้าตาใดเราไม่มีการการปรุงแต่งก็ไม่เป็นไระรารู้อยู่ว่ามันก็มีงี้ยมันมีมมีการการไหลของของของงานดึกปัจจุบันชอนาคตอย่างปนี้ก็อยู่ตรงนั้นกันละท่ันอาจารย์นั่งแล้วดีปมภ์หนึ่มันก็เกิดอาการทางกายที่ปัวจะแขวน ่ปอยถ้ามันเป็นอุปทานมากกว่าเพราะความจริงแล้วมันไม่ได้แกร่งไม่ได้ห่างนะนักขัก็แสดวงว่าเราห่างจากบริการทำบริการเนื้หอหาจากกรรมฐานที่เราใช้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจถ้ า, ายึดเหนี่ยวจิตใจแล้วเราจะไม่สนใจกับการแกร่งการอะไรของร่างกายทั้วสิ พอเราเป็นสนใจก็มีแสดงเราแวบออกมาละเราไม่ได้อยู่กับพุทโธละเราไม่ได้อยู่กับวลมละเราไปอยู่พัฒการแก่งละต้องย้อกลับมาให้เราไม่ต้องการเราไม่เอาความการแก่งมาเป็นเป็นที่ตั้งของสติกันเราต้องการลมเป็นที่ตั้งของสติแล้วว่ากลับมหาลมแล้วถ้าเราใช้พุทโธเรากลับมาหาพุทโธถ้าเราสวดมนต์เนากลับมาหาที่สวดมนต์อย่าไปหาเรื่องอื่นเพราะมันจะมีเรื่องอื่นมาคอยคอยหลอกล่อให้เราไปสนใจอยู่เรื่อย ทีเรานั ton, uh ่งไปได้ยินเสียงคานเขาไอเพลงครั้งเดียวเนี่ใจเมื่อคิดถึงเรื่องไอเรื่องเจ็บไข้ได้ปัวยเรื่องอยู่เรื่องยาเรื่องหมอเรื่องอะไรตามไปได้ยาวเหยียดเลยก็กลับไปได้พวกนั้นที่ตัระตุ้นจะเกิดขึ้นมันก็ดับไปเองถ้าเราไม่สนใจมันเดี๋ยวมันก็หายไปอิมงไรเหล่านี้เราตามดูอารมณ์ความรู้สึกการชั้นกระทบหรือบางทีรักๆเราเท้าหรือบางทีอะไรนยี้ยแต่บางทีเวลาเราคิดอะไรเผือไปนี่เราตา รู้สึกก็ดูอารมณ์เปนแดูต่างๆคิดนิดค่ะคืออามณนะครับรู้สึกที่สุกบ้างทุกบ้างก็ได้ไม่ได้แต่เวลาเราคิดค่อยจะเผือไปคิดเรื่องต่างๆนี้ต่างๆนี้นคิดวิธีที่จะแก้ก็คือใช้บริกรรมพุโทโธเข้าันเลยถ้าเราพุโทโธแล้วมันจะคิดไม่ได้คือจิตนี่มันจะทํามันจะคิดได้ในแต่ละขณะเนี่มันจะคิดได้เรื่องเดียว แต่เราพูดโทรอยู่นี่มันจะไปคิดเรื่องนี้เรื่องนี้ไม่ได้เพียงแต่ว่าขณะหนึ่งมันสั้นและมันเร็วมากาเวลาพูดโทรแปร๊บอีกขณะหนึ่งมันก็แว บ, บไปได้ดังน mm ั hmm. ้เราต้องมางทีต้งบริการมถี่หรือว่าต้องต้องเฝ้าดูอยู่ตลอดไปแล้วว่าเร า, เร า, เรากําลังพูดโทรอยู่ป่าถ้าตอนี้ก็ใช้กล้องไม่ได้นะ <Yeah. S 2> ต้องใช้พูดโทรอย่างเดียว ที่ว่าถ้ามันเริ่มจิตมันเร่มคิดแล้วบางทีลมดูลมมันอาจจะไม่ไม่ไม่พอถ้าอย่างก็ต้องเปลี่ยนกันก็ได้ก็ลองดูก็แล้วกันดูว่าอะไรมันได้ผลที่จะหนีได้ไหฮะผมว่าเราเรานั่งสมาธิอาการนั่งเนี่ยเราเอาลมอย่างเดียวเราไม่เอาพุทโธได้แต่ถ้าเราเดินเราเคลื่อนไหวเราเอาพุทโธได้นะฮะหรือเดินจยกมือเอาท้าอย่างเดียว นะฮะแล้วเอาแต่ถามจากเนี้ยก็ลองดูลองดูก็แล้วแตในใจเราไม่เอาไปปุ่นกันในใจรียารวว่าลองดูแล้วว่าอันไหนได้ประโยชน์คือเป้าหมายก็คือต้องการไม่ให้จิตไปคิดเรื่องราวต่างๆเป็นหลักให้จิตรู้อยู่กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันแต่บางทีความคิดของเรามมนละเอียดเราไม่รู้ว่าเรากาลังคิดอยู่เรามองไม่เห็นมัน แต่ก็ไม่เป็นไรก็เราให้รู้อยู่กับสิ่งที่เราเห็นส่วนอยญ่ก็คือร่างกาก็กาให้รู้อยู่กับการเคลื่อนไหวไปก็อย่าไปเดินไปแล้วก็คิดถึงงานที่ทำมาเมื่อวานนี้หรืงานที่จะต้องไปทําพรุ่งนี้วันนี้เปนต้นให้รู้ว่าเราอยู่กับซ้ายขวาหรือตากันั่นเองให้มันดีนั้นไป แต่ถ้าบางทีมันซ้ายขวาซ้ายขวาแล้วมันก็อย่างคิดบางทีก็ใช้บริการพุทธโธเข้าไปแทนก็นได้เพราะบางทีมันมันพุทธโธนี่มันสกัดได้แต่ว่าหลวงตาท่านจะจะสอนเรื่องพุทธโธนี้มากไอ้หลวงตาท่านเคยใช้พุทธโธเป็นการเป็นการทำจิตของท่า น, นสงบในช่วงที่จิตของท่านเคยเสียงไปครั้งแรก การที่ท่านไปทำโปรดอยู่เดือนตัเดือนแล้วจิตมันไม่สงบท่านก็พยายามนั่งยังไงก็ไม่สงบแต่หลังท่านก็มาจับได้ว่าต้องมีพุโทโธถ้าเราพุโทโธมันในในอุรยาบทสีไม่ว่าจะทําอะไรก็พุโทโธแม่ไปคิดอะไรเพราะฉอนั้นท่านก็อยู่คนเดียวท่านก็ไม่มีภารกิจที่จะต้องไปเกี่ยวข้องกับใครที่ไหนก็คิดแต่ว่าพุโทโธพุธโทโธอย่างเดียวแล้วก็ ตระกิจที่ทําอยู่ในปฏิบัติเป็นเดินบินตบาดก็เดินบินทบาบดาบาไปแต่ใจก็พุโทโธไปได้บินทบาดไปแล้วก็คิดถึงเรื่องคนนั้นเรื่องคนนี้ระยาปัดกวอดก็พุโทโธแล้วก็อยู่กับการปัดกวอดเวลาฉันก็อยู่กับพุทโธไปจิตนีนก็จะถึงตะล่ำเข้ามาแล้วพอมานั่งก็พุโทโธพุธโทโธเดินมันก็สับลงไปนะแต่ถ้าจะกําหนดสติแล้วรู้ท่าร ดูตามมันนี้มันก็จะตามมันไปเรื่อยๆเอนเขาบางบางที่ก็สอนว่าให้มีสติดูดูดูความคิดดูตามความคิดมันก็คิดไปเรื่อยๆแล้วก็ตามไปเรื่อยๆมันก็เหมันก็เหมือนกับวิ่งจับจับจับวิ่งเนี้ยมันก็วิ่งมันมันก็ไม่หยุดสักทีวิธีจะหยู่เราต้องสกัดมันไม่ให้มันมีที่วิ่งเรนนบพุทโธมาขวางข้างหน้าขวางข้างหลขวางข้างข้างข้างซ้ายข้างขวามันไปไหนไม่ได้มันก็อยุ่ แต่ตรงนั้นถ้าคิดเป็นในองค์ธรรมะหรือคะได้ถ้าเป็นปัญญาก็ได้ถ้าเป็นปัญญาก็ได้อย่าก็เป็นบัญญาอุค์สมาธิคิดมันจะไปคิดอย่างนั้นก็บว่าเดี๋ยวก็แก่ตายแล้วจะทําอะไรผมเภาผมจะไปกังวลทําไมว่าจะรูปหน้าจะไม่สวยหน้าตาจะไม่งามเดี๋ยวมันก็นอนในโองก็ไม่มีใครเข้ามาถ่ายรูปหน้าอยู่ดีนะคิดอย่างนี้มันก็มันก็ตัดได้มันก็ไม่กังวลมันก็ มเรื่องลอัน uh. นึ the the ่ค MM ือถ้าเวลาเราตื่นบางคนเยนะะสมาที่ได้งานมสองั่วโมสามชั่โมงอย่างเงี้ยนะคะบางทีเราหน้าเราไม่ได้เห็นเขาาได้อย่างว่าชั่วโงเนี้ยเราก็มีความไมู่คนอื่นานากันได้มนานสาวาตอบได้เศษสี่เราก็งได้เศษเนึ่เศษสองอไม่จาเป็นหรอกกิของแต่ละคนไม่จาเป็นนะไม่จเป็นมมีสองิเลที่ถ้าเนออะไรปัญญาวิมุตติกับเจโตวิมุตต พวเกตัววิมุตติ น, นี่คือเข้าฌานก่อได้ฌานอย่างพระโลกคลายนี่โลกปัญญาวิมุตติ น, นี่เหมือนพวกภาษาริบุตรตรงนี้พอสงบแล้วจิตก็ออกพิจารณาได้เลยพิจารณาปัญญาทางด้านปัญญาอั น, นตายรักไปเลย ในมั่ในแขนแขนเอาไม่ดีเลยสมาธิเอาไปในภาพนี่ค่ะทุกก็นั่งสวะคือสมาธิมันมีสองแบบนะถึงว่าเวลาเข้าชานแล้วนั่งเป็นชั่วโมงเป็นวันเป็นเดือนนีมันก็ได้แค่ความสงบของจิตแต่ถึงว่าถ้าจิตเราสงบแล้วมันเป็นฐานถึงแม้เราจะออกมาจากความสงบนั้นแต่ใจของเราก็ไม่วุ่นวายใจของเราก็ยังเย็นอย่างสบาย แล้วก็มีเหตุมีผลแล้วก็พิจารณาไปทางปัญญาเลยแล้วก็จะก้าวหน้าขึ้นเพราะเพราะเราจะเราจะก้าวขึ้นสูงคั้นวิปัสสนาเลยส่วนพวกที่เขาติดฌานบางทีเขาก็ไม่ออกทางปัญญาพอเวลาเข้านั่งสมาธิเขาก็เข้าไปหลา ย, ลายชั่วโมงพอออกมาแล้วเขาก็ไม่ไม่ได้ไปทางปัญญาเขาก็รู้สึกว่ามีความสุขกั บ, ก, บกับความสงบนั้น เดี๋ยวพอท้องกใจก็สงบอีกเขาก็กลับไปเข้าไปนั่งอีกเขาเรียกว่าติดติดในสมาธินไงคือมันจะมันจะติดกันอย่างนี้ไปขั้นขั้ตามขั้น ข, น ข, น ข, นข้นเวลาปฏิบัติไปพอได้สมาธิแล้วมันก็จะติดในสมาธิถ้ามันมีความสงบมีความสุขีัยไม่ค่อยอยากจะพิจารณาทางด้นานปัญญาเ พ, พราะพปัญญาปัญญามันต้องทํางานจิตต้องคิดไงดังนั้นว่าเอาจิตมาคิดในในหลักของท้องใจ ให้เรามาพิจารณาดูร่างกายของเราแยากแยะดูอาการสางคีตสองให้เห็นว่าเป็นดินน้ำหรือไฟนี้มันต้องใช้เหมือนกับเรียนหนังสือเหมือนกับเรียนวิทยาศาสตร์ต้องต้องแยกแยะมันออกมาว่ามันเป็นน้ําได้อย่างไงมันเป็นไฟได้อย่างไงมันเป็นลมได้อย่างไรถ้าเป็นคนคิดเป็นมันก็สามารถที่จะเห็นได้เพราะเวลาคนตายนี่มันน้ํามันก็จะออกมาใช่ไหมน้ำหลองน้ำนํำหนองน้ําเลือดที่ไม่ชัดๆก็ออกมา ความร้อนมันก็หายไปละระเหยเออกไปหม ด, ล, ล, ดนนละความร้อนในร่างกายคนตายคนเป็นปนี่มีความแตกต่างกันไปจับตัวดีก็รู้คนตายนี่เย็ยนเฉียบคนที่ยังไม่ตายนี่ร่างกายยังอุ่นอยู่แสดงว่ายังมีธาตุไฟอยู่ไฟยังมีอยู่แต่คนตายนี่ไฟมันหมดละไฟมันออกหมดละถ้าปล่อยทิ้งไว้น้ำมันก็จะไหลออกมาลมมันก็ไม่เข้าไม่ออกล เว่าคนอนเทนต์มันจะมีลมเข้าลมออกหายใจเข้าหายใจออกมีว่ว่ายาแล้วก็เหลือแต่ธ า, าตุินธาตุไฟที่เมื่อนๆเข้ามันกับตัวนี้นก็ผุมันก็แห้งกรอบกลายเป็นกลายเป็นปูนกลายเป็นดินแต่ในที่สุดมันก็เห็นชัดๆอยู่ถ้าเราศึกษาตรงนี้เรียกว่าเป็นปัญญานะ ที่ น, นี้เราเห็นวนะ่ามันต่อไปนั้นก็จะได้คลายความหลงอยู่กับร่างกายว่าเป็นเงาเป็นตัวเราท้ายที่มันก็เป็นแค่ยินน้ําำลงไฟเวลาเข้ามาก็เข้ามาทางไหนก็เข้ามาทางปากเรานี่แหละเราไม่เห็นเนี่ยที่เรากินเข้าไปมันก็ดินน้ํำลงไฟเท้านั้นเนี่ยน ะ, ะ, ะเข้าไปแล้วมันก็มามามาเปลี่ยงสภาพจากจากอาหารมันก็ก็มากลายเป็นผมเป็นขนเป็เล็กเป็นฟั ผมเรามานัางนงอกออกมาได้ไงถ้าเราไม่กินข้าวหรือสักเดืยนมันไม่มีสาร ง, งอกออกมาเรากินข้าวเข้าไปกินน้ำเข้าใจหายใจเข้าไปแล้วการเลีนยนของดินน้ําลมมันก็ทําให้เกิดไฟขึ้นมาคือความร้อนแต่าเรากินข้าวไปในบางครังเกตดูร่างกายเราจะร้อนีหนียวแตกเพราะว่าเริ่มเกิดปฏิกิริยาของของทางของการทํางานของดินน้ำผสมลมผสมกัน มันก็ทําให้เกิดไฟเอนแน่นหนนอย่างที่เอกกับตาวน้าร้อนเมื่อกี้เนี่ยอะไรก็ดินน้ำุมไฟมันก็มีอยู่ในนั้นนะนะเราไปกดน้ำปุ๊บมันก็เกิดปฏิกริยาความร้อนมันก็ออกมาเหมือนการร่างกายหลราไอถึงน้าร้อนนี่มันก็เหมือนกันเนดียวกันนี่แค่เราเป็นไปมีแต่ความความคิดที่มันฝังหรือกินในใจว่าร่างกายนี่คือตัวเราตัวฉันนะคิดอยู่างนะเดี๋ยแล้วไม่เคยมองว่า ว่ามันมาอย่างไงมันไปอย่างไงเราต้องพิจารณาตั้งแต่อดีตเริ่มต้นของร่างกายนี้มันก็เริ่มจากน้ำสองหยดของพ่อหยดของแนะม่หยดกันไหมเกิดการผสมผันยังขึ้นมาก็เกิดการก่ อ, อร่างสร้างตัวขึ้นมาอยู่ในคันของคุณแม่การสายน้ำนมอาหารของคุณแม่ก็เป็นน้ำลําไฟแบบละเอียด่ที่เขา้าไปเสริมสร้างให้ให้ร่างกายจเจริญเติบโตขึ้นมาพ่อาจากร่างของ เ อ, เอาจากท้องรกก็ก็เดินนมเดินน้ำก่อนอาหารอาหารละเอียดแล้วเมื่อต่อขึ้นหนังก็เป็นอาหารหยาบเช่นข้าวข้าวต้มอะไรต่างๆนันก็เป็นดินน้ำดินไฟมาในรูปแบบต่างๆเพื่อไปเสริมสร้างการสารสิบสองให้มันจะโลนเติบโตงอก ง, งามขึ้นมาพิจารณายิบเลยเนี่ยพิจารณากตารกลับมา นัาความจำแบบนี้ไป่ยอยจังกามันจะล้องอ๋อขึ้นมาเองบ อ, อ, อ, อกข้าใจนะอ๋อไม่ใช่เรามันเพียงแค่เป็นการการมาการไปของดินน้ำฝนฝ่ายอะไรแต่ว่าถ้าเราคิดแค่ครั้งเดียวเราหยุดคิดมันก็กลายเป็นสัญญาความจำไปพอถึงเวลาจะจะตัดอุปทานก็ตัดไม่ได้เพราะว่าอุปทานนี่มันมีแรงมากกว่า ในคนชักก็เยื่สิบคนกับคนข้างหนึ่งสิบคนข้างหนึ่งคนเดียวข้างสิบคนมันก็ต้องมีแรงมากกว่าอุปทานมันมีแรงมากกว่ามันก็บอกว่าไม่ใช่เป็นตัวฉันตัวเราของฉันมันก็ยังยึดติดอยู่พอเป็นอะไรก็ร่างกายมันก็ทุกข์ทุกข์วันจขึ้นมาแต่ถ้าเราพิจารณาเรื่อยๆจากคนหนึ่งก็เป็นสองคนสามคนสี่คนจนกระทั่งมันมีกําลังมากกว่าอุปทานเมื่อไหร่มันก็จะ ด, ดึ ง, ด, งดึงมาทางนี้บอกว่า คุณจะว่าไงท่านก็ไม่เชื่อนะท่านเชื่อว่ามันเป็นดินน้ามูลไฟนั่นเองท่านไม่กลัวแล้ะมันจะเป็นไงก็ให้มันเป็นไปมันก็แค่แค่ดินน้ามูลไฟนั่นเองมันต้องอาศัยพิจฐินาบย์บ่อยมันมันจะยากตรงนี้ปัญญามันไม่ใช่คิดทิจฐินาหนสองหนแล้วก็จะบรรลุได้นอกจากคนที่มีปัญญาที่เฉียบแหลมที่มองมองทะลุเห็นชัดแจ้งยังจะไม่สงสัยเลยนี่ อันนี้บางทีก็เพื่อมาขนสองเห็นก็เพื่อเขาเพืเ่อ เ, เข้าใจก็มปัญญาเนี่ยมันถึงต่างกันคนบางคนถ้ามีมีปัญญาบามีเยอะก็จะบรรลุเรยวคนที่มีปัญญาบามีน้อยก็บรรลุช้าการบรรลุนี่ไม่ได้บรรลุด้วยสมาธิมันบรรลุด้วยปัญญาแต่ต้องอาศัยอาศัยสมาธิเ ป, เป็นเป็นเป็นทางผ่านเป็นพื้นสำนึกเสมอ จะต้องมีสมาธิก่อนคือจิตจะต้องมีในปัจจุบันจิตต้องอยู่ใ น, น, อ, อ, ยในอยู่ในความสงบปราศจากความความโลภโกรธของมาคอยชอบงำเวามมลาจิตสงบนี้ความโลภโกรธของมันจะสงบตัวลงไปด้วดยวมันจะทํางานก็ไม่ไม่ไม ร, รุรเหมือนกับคนที่ไม่มีความสงบวันนี้ไม่มีความสงบมันจะถือความโล ก, กรธขงชอบงำเหมือนกับฝุ่นตลบอยู่ตลอดเวลาแต่คนที่มีความสงบนี่เหมือนกับฝุ่นที่มัน ที่มันตลอบอบรวงนี่มันมันมันตกมันมันตกลงไปที่พื้นแต่พอเราไปไปไปกวาดมันมันก็จะพุ่งขึ้นมาจิตเราเวลาไปคิดอะไรขึ้นมาถ้าเป็นจิตที่สงบแล้วเวลาไปคิดเรื่องอะไรขึ้นมามันก็สามารถทําให้ให้อิทุิพของความโลภความโกรธความหลงนี้มันขึ้นมาได้ก็ทําให้เราเห็นผิดได้ขึ้นเราไปเห็นรูปปั๊บเราก็จะให้ความโลภโกรธหลงมันก็จะตามมาทันทีว่ารูปนี้สวยน่ายินดี ถึงต้องอาศัยปัญญามาคอยคอยแกะออกว่าไม่ใช่มันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอย่างนี้เพียงแต่ว่าเราจะมีมีกําลังอนิจจังทุกขังอนัตตามาพันกับเหตุการณ์หรือไม่พันกับความหลงที่มันกําลังจะเข้าไปหรือไม่เพื่อในขณะที่จิตสงบนี่มันก็เหมือนกับว่ามันว่างๆแต่พอไปเห็นรูปปั๊บเนี่ยถ้าถ้าโลกกดหรือมันมีกํำลังมันยังมีกําลังอยู่มันก็จะไปเกาะทันที แ้วถ้าเรายังไม่ได้เจริญปัญญาเลยเนี่ยมันก็จะไม่มีอะไรมาคอยแกะมันก็จะหลงไปทักทั้งเฉยกระทั่งมันมันวุ่นวายมันเหนื่อยมันก็เลยเข้าสมาธิดีกว่าเหมือนกับคนที่เคยทําสมาธิได้เนี่ยแต่พอออกมาปั๊บก็จะไปทํานู่นทำนี่ไปไปทําเหมือนเดิมไปดูหนั่นไปฟังนี่พอสักพักเกิดเบื่อขึ้นมาลังค์ลังขึ้นมาก็กลับไปนั่งทําสมาธิใหม่แต่มันก็มันก็ยังวนเวียนอยู่กับไอ้เรื่องงานนี้อยู่ แต่ถ้าคนที่เริ่มจเจริญปัญญาแล้วเบอกพอจะไปฟังอะไรบอกว่าจะฟังยังไงฟังว่าเหมือนเดิมมันก็ไม่ได้อะไรใช่ไหมฟังแล้วเดี๋ยวก็เบื่อดูอะไรมาเดี๋ยวมันก็เบื่อมันไม่ได้ความสุขความอิ่มความพออะไรมันเป็นทุกข์ที่มากกว่าความสุขถ้าเห็นอย่างนี้แล้วต่อไปเวลาอยากจะไปทําอะไร อ, อยากจะไปดื่มอะไ ร, ะ ไ, ปะ ไ, รไปกินอะไรมันก็จะมันก็จะหยุดชะงักได้ มันเป็นกลางๆอ่ะต่ว่าไม่ยินดีก็ไม่ใช่แต่ว่าไม่ยินรายก็ไม่ใช่มันเฉยๆมันรู้มันรู้ว่ามันมันแค่นั้นอ่ะมันเหมือนกับของที่เราไม่ไม่ไม่ยาแสแล้วอย่าเงี่ยเมื่อก่อนนี้เราหลงว่านี่เป็นแบงน์ลอยแต่พอมีคนเข้ามาบอกนี่มันเป็นเป็นแบงค์เกอก็ไม่ยินดีไม่ยินร้ายไง รู้สึกอย่างนั้นเนมื่อก่อนที่เราคิด่าเป็นของจริงไงแต่ตอนนี้เรารู้ว่ามันเป็นของเกอแล้วเนี่ยเราจะรู้สึกยังไงก็รู้สึกแบบนั้นน่ะ <c oughs> ปัญญาก็สอนให้เราเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มันของเกอเท่านั้นไม่ใช่ของจริงกาเป็นของไม่มีค่าอะไรไม่มีคาำหมายอะไรถ้าพิจารณาภาพสี่ในกายแล้วเนี่ยถ้าเรามองไปข้างนอกคืออ เราก็ที่ใดอื่นเป็นท่าสีด้เหมือนกันก็เหมือนกันเน่ยก็ต้องพิจารณาทั้งเขาทั้งเราทั้งข้างนอกทั้งข้างในกายกระตาสติทั้งก็บอกให้พิจารณากายนอกพิจารณากายในนะพิจารณาทั้งกายนอกทั้งกายในถ้าเกิพิจารณาแล้วมันก็ลงไปที่ท่าสี่เนี่ยในโลกนี้ก็พูดถึงว่าโลกกระธาเนี่ยโลกกระธาเราอยู่ในโลกกระธกระ่าสี่ดินหน้ามุมไทนี่เป็สิ่งอย่ยากนี่สารานี้กระ่าเอง ีแต่สาราต่างกับเราคือสาราไม่มีจิตไม่มีวิญญาณมาแต่บางคนก็คิดว่ามีอย่างซเม่มันอยู่ว่ากลัวเหมือจะมีมีอะไรมามามาเฝ้าสาราหลังนี้อยู่ราเฝ้ารอาราหลังนี้อยู่เาคิดเ่มีเทวดาน่ยนั่นอุปทานเขาเป็นอุปทานเขาไม่ได้ยุ่งอะกับเราเราะ้เราไปยุ่งกับเขาต่างหากเรามาฝังทำแท้งกันรึป่าว <laughs> นันเป็นการลู้เรืเก่งดูว่าเออยี่เวลาคนปฏิบัติเป็นมากๆขึ้นมีความเมตตาสงสารมันจะมากขึ้นแคมากขึ้นมากขึ้นทุกปีมันเป็นพื้นเทของจิตที่ปราศจากความโลภโกรธนะถ้าความโลภโกรธหนี่ยมันน้อยลงไปเท่าไหร่ความเมตตาเวนาเมตตาเดชามันก็จะมากขึ้นไปตามนั้นแหละเพราะว่าเรามีความอื่นแล้วเราก็สงสารคนอื่นใช่ไหม แต่ท่านะที่เรามีความหิวนี่เราจะไม่มองหน้าใครทั้งสิ้เราจะต้องเอาชั้นเอากินกินให้เราให้อิ่มก่อนตอนนั้นเราจะไม่ค่อยมีความเมตตาค่ะสังเกตดูเวลาที่เราหิวนี่ใครมาขวางหน้านี่จะเกิดความโกรธขึ้นมาทันทีแต่ถ้าเวลาเราอิ่มแล้วใครจะมาแย่งอาหารเนี่ยข้าวของรนใจเร า, ากาา็เฉลียเฉลียวออกไปเท่าที่อกได้ก็ออไปความอิ่มของใจเนี่ยมันจะทําทําให้เกิดความเมตตาการนำวิริตใจเบิกขาขึ้นมา โดยธรรมชาติของมันเป็นอย่างนี้นอย่างอย่งท่านตาท่านมีตาลูกขนาดไหนท่านเหนื่อยขนาดไหนอายุขนาดนี้นะแล้วก็ยังมีคนมาคอยมาด่ามาว่าท่านนะแต่การท่านไม่ไม่ไม่ได้ีอะไรกันแนนะ่ <c oughs> มันก็แสดงไปใช้ใช้ธาตุขันแสดงไปมันก็อย่างนี้แหละบางคนก็ว่าท่านแสดงด้วยอารมณ์พัทโศไป มันก็บังใช้มันก็บังใช้ร่างกายต้องใช้กิริยาอย่างนี้เมื่อมีเหตุการณ์อย่างนี้มามันก็ต้องตอบไปแบบนั้นแล้วอาศัยอาจจะเป็นนิสัยเดิมของท่านอยู่เึ่งเป็นสิ่งที่พระเจ้าบอกว่ามันไม่ใช่กิเลสนะมันไม่ใช่กิเลสมันก็แสดงไปบาคนมีกิริยาโหขาก็โหขาไปบางคนนิ่มดวนเขาก็นิ่มดนเขก็ไปที่ติดมา เป็นกิริยาแต่ไม่ใช่เป็นตัวกิเลสม ม, มีกิเลสมีในกิริยานะแต่มันก็เป็นกิริยาที่กิเลสก็อาศัยใช้สำหรับคนที่มีกิเลสเข า, าก็อาศัยกิริยานี้ใช้เวลาเขาเกิดความโกรธขึ้นมาเขาก็แสดงการอย่างนั้นออกมาเหมือนกันคือใช้เครื่องมืองานเดียวกันแ ต, แต่คนที่ใช้นั้นต่างกันเ้าเขาแบบเลินทางเพราตรงนี้ลูกคงเดี๋ยวอีกรู้งกี่ร้อยชาติ สมมุติว่าสิ่งเนี้ก็สิ่งที่ติดมาเนี่ยลูกลูกรู้ว่ามันเป็นสมมุติยังเป็นสมมุติอยู่แต่ว่าเมื่อมันมาสําหรับติดของของข้าริยะเนี่เมื่อมันมามันก็เปิดเกิดมาเป็นย่างนี้แต่พอมันกระทบปั๊บเนี่ยมันหล่นตกไปทันทีแช่ใช่ไหมมันอย่างเช่นว่าออาการเหมือนกันอาการความใจเร็วใจนี่มันมันเป็นมิจฉาทังเดิมพอมันมากระทบปั๊บมันตกสําหรับติดข้าริยะพัไม่แวบแบข้า มหมายถึงการมีปฏิกริยาตอบ<ช>โต้กับสิ่งต่างๆใช่ไหมคะมันต่างกันตรงถ้าเป็นพนที่เจริญปัญญาแล้วมันจะมีเหตุมีผลมันจะมันจะมีตัวกรองว่าควรจะออกไปมากน้อยเพียงไรแรงห ร, รือค่อยอย่างไรแต่ถ้าไม่มีปัญญามันจะไม่มีตัวกรองมามามากระทบเท่าไหร่มันก็จะกลับไปท่านั่นเหมือนกับเหมือนกับลูกนิ้วิ่นฟองที่เราเราเร า, เราตีใ ส, สใ่ผ้าผนังอย่างนี้ แต่ตัวกองนี้อย่างของท่านทาจารย์ลูกคิดว่าเป็นอัตโนมัติเลยปั๊บไปเลยแต่อย่างของบุคคลธรรมดาเนี่ยมันจะมีรู้สึกเหมือนมีความคิดขึ้นมาในการที่จะกล่องแต่ของของอย่างของท่านอาจารยมันตกทันทีอโัติอโนมัติมันก็อยู่ที่การฝึกควนของรเลยที่หลวงตารอขั้นต้นสติปัญญาก็ล้มลุกทุกข์ขันไปก่อนแล้วต่อไป้องกลายเป็นสติปัญญาอัตโนมัติมันก็จะเป็นไปเหมือนกับเปธรรมชาติไป เมื่อมาเราฝึกไปเรื่อยๆใช้ไปเรื่อยๆต่อไปมันก็จะเป็นเหมือนกับการพิมพ์ดีดการอ่านหนังสือตอนต้นเราก็ไม่ได้อ่านได้อ่านออกเขียนได้ทันทีใหมเราก็ต้องหัดสะกดไปก่อนหัดสะกดหัดประสมคําไปก่อนแล้วเมื่อเราทํางานแล้วพอเราเห็นตัวสอนตั้บมันก็มันก็ไปทันทีมันก็ไปแบบนั้นแล้วเรื่องสติปัญญานี้เราสร้างขึ้นมาได้แล้วเรา ในระดับหนึ่งเราสามารถที่จะควบคุมจิตนิสัยเดิมของเราก็ได้แต่ว่าเราบางทีถ้าเราไม่เห็นว่ามันไม่จําเป็นไม่สําคัญเราก็ไม่เราก็ปล่อยมันไปเป็นธรรมชาติก็ได้แต่บางทีเราก็รู้ว่ากาลเทศะอยู่ที่ไหนควรจะพูดยังไรควรจะทำอย่างไร ก, ก, ก็ท่านก็ไม่ได้แสดงการแบบนั้นตลอดกับทุกคนที่ไหนคนบางคนท่าก็รู้ว่าคนที่จะนิ่หนือนท่งนก็มิ่งมืนได้เหมือ น, นกัน ก็วันนั้นท่านกเทศเรื่องท่านอาจารย์ศิลปทองนั่นเองนท่านก็ยังสอนอาจารย์ศิลปทองอย่าไปตลกทุกกรณีก็ไม่ได้ถึงแม้เราชอบตลกเ้ามองอะไรเราจะมองไปในมุมตลกเสมอแต่คนเขาอาจจะไม่ตลกกับเราคุณแจนได้ฟังวันที่พวกกตอิงหมองเคตุตั้งลังเลริงที่ไนไหมได้ได้ฟังที่ที่เข้ามาถามที่ที่เข้ามาถามปัญหาท่านเก่าที่ลมา พอดีได้ยินทอดีใครก็เป็นคนแต่คนแต่คนนึ่งนะพี่อยู่แต่ว่าวิจิตแค่ท่านตอบคนหามเขาบ้างตอนนั้นตอนที่ท่านตอบเขาตรงไม่ได้ฟังตอนที่เขาปู่หญิงคนนั้นมาเล่าให้ฟังไม่ค่แต่อันนี้ต้องอีหมายี่สิบคนนะคะที่สายสุลามแล้วก็พี่กระถางเนี่มีภรรยาหลายคนไแต่ตอนหลังเขาเขาก็พยายามที่จะเอามาอ่านว่าศาสนาของข้าวเลาะมีอะไรบ้าง ออ ก, กททยยาามี่แต่ที่เราจะมาฟังฟังตอนที่พี่เองคนนั้นเขาเล่าให้หลวงตาฟังบางทีงมันวิเศษๆเขาเป็นเป็นคนแปลใช่ไหมหเขาเป็นคนแปลลูกพอดีถ้าเปิดได้ออกมาเป็นซีดีแล้วจะส่งขึ้น ม, มาเท่าไหร่ปัญาทโลกกับปญาทาธรรมที่ทรานึ่งจะเกิดขึ้นมา ถ้าคนในตอนนี้คน่มีปัญญาทางโลกเพิ่เขายังฝึกเก่ฉลาดอะแบน้นะก็มาปฏิบัติธรรมแล้วก็จะไปเร็วกว่าทาที่ที่ฐานทางกองหรือหรือว่ามันมันไม่ต่างคือคนที่มีปัญญาทางทางโลกเนี่ยเขาก็เขารู้จักคิดด้วยเหตุ ด, ด้วยผลทางนทางธรรมะ ก, ก็เหมือนกันด้วยเหตุด้วยผลใช้ความคิดด้วยเหตุด้วยผลเหมือนกันแต่ต่างกันตรงที่ว่า เหตุผลนั้นมันจะเกี่ยวกับข้องทางด้านจิตใจว่าอะไรเป็นเหตุที่ทําให้ใจทุกข์อะไรเป็นเหตุที่ทําให้ใจไม่ทุกข์อันนี้จะความรู้ทางโลกจะไม่มีไม่มีใครสอนความรู้ทางโลกเราจะคิดเหตุผลทางเรียกว่าต้นไม้มันโตขึ้นมาได้อย่างไรต้องมีน้ําดีมีดินดีมีปุ๋ยดีมีการดูแลรักษาป้องกันไม่ให้มะลางังมากัดมาทําลายอันนี้ก็เป็นเหตุมันก็คิดแบบเดียวกันอาจารลุง ทางโลกก็จะมองต่ไปเรื่องของภายนอกหรือแม้กระทั่งร่างกายเขาก็จะดูเพียงแต่ว่าร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยอย่างไรจะรักษาได้อย่างไร mm hmm. ท่านั้นเองเขาก็จะคิดเหมือนกันคิดด้วยเหตุ ด, ด้วยผลเหมือนกันแต่เป็นความรู้ต่างกันความรู้ทางโลกมันไม่สามารถมามาแก้ความความทุกข์ทางด้านจิตใจได้หตอที่จบด้อกเตอร์มันจะจิตวุ่นวาย ติดคุกติดตรางไปฆ่าคน ก, ก็ก็เป็นพ่อปัญหาทางด้านจิตใจที่แก้ไม่ได้เวลาโกรธแค้นโกรธเคืองมีความทุกข์แล้วโกรธแค้นโกรธเคืองใครก็ไปฆ่าเขาอย่างนี้ถ้าเป็นด็อกเตอร์ก็ทําได้แต่ถ้าเป็นคนที่ด็อกเตอร์ทางทางศาสนาพิจารณาถึงเป็นพระอริยะแล้วก็จะไม่ทํานะเพราะรู้จักวิธีแก้ความทุกข์ทางด้านจิตใจรู้จักปล่อยวางรู้จักยอมรับความจริง คนโดนคนนั้นเข้ากั่นแกล้งโดนคนนั้นเขามาหลอกลวงทําให้เสีย อ, อกเสียใจแต่ก็ยอมรับว่าสั่งเกิดขึ้นแล้วมันผ่องจะแล้วจะโกรธเขาทาไมไปแกล้งเขาทําไมไม่ไมําเป็นถือว่าเป็นกรรมเก่าใช้หนี้เก่าไปมันก็จบไ ป, ไไปก็ไม่ต้องไปฆ่าเขาก็ไม่ต้องไปติดติดตารางคนที่ทมีธรรมะจะคิดย่ังไงก็นั่นแหนนนละ<ม>ลก็ะมายถึงพิเลกก็คือการขาดปัญญา ส่วนการมีปัญญาทางด้านธรรมะก็คือการการรู้ทานจิเลนี่นี่ไม่น่าเสมอไปมันอยู่ที่ว่าจิเลนมากหรือจิตน้อยก่อนถ้าจิเลนนะทาให้จิตมันมันไม่สงบมันก็มันความคิดนั้นก็ยังไม่ได้เป็นปัญญาตอนเมื่อกต้ครูอาจารย์ไหนท่าน เนี่ยบิดผ่านมาองค์ท่านได้ได้ตีหนังสือเลยที่ทําไปใช่อ่านหนังสือไม่ออกเลยไม่ออกไําไปแต่ไม่ได้หมายความว่าท่านไม่ฉลาดนะะท่านมองท่านคิดด้วยเหตุด้วยผลท่านอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าท่านไม่มีโอกาสได้ไเรียนหนังสือแค่นั้นเองเพราะท่านไม่มีโอกาสท่านอาจจะจบเป็นญาเองก็ได้คนบองคนที่เป็นชาวนาชาวไร่ถ้าไม่มีโอกาสได้ได้ไปเรียนหนังสือไม่ได้หมายความว่าเขาไม่มีปัญญา แต่ดก็ไม่มีโอกาสได้ไ ด, ได้ใช้ปัญญาเขาไปในทางนั้นเพียงเองคือพูดง่ายๆก็คือคนที่มีปัญญาก็คือคนคิดเป็นคิดด้วยเห็นด้วยสังเป็นส่วนคนที่ไม่มีปัญญานี้คิดไม่ค่อยเป็นคนที่คิดไม่ค่อยเป็นนี้จะจะได้สมาธิแต่จะไปทางปัญญานี้จะช้าเพราะว่าไม่สามารถแยกแยะเอย่อยงเช่นธาตุดินน้ำมูลไฟต่างๆแบบนีนไ้ได้ แต่ถ้าคนคิดเป็นนี้อาจจะไปเร็วกว่าแต่ทีนี้คนที่จะบรรลุเร็วลบรรลุช้าท่านก็แสดงว่ามีอยู่สี่สี่ชนิดด้วยกันพวกที่รู้เร็วแล้วรู้ง่ายเป็นพวกหนึ่ง่อรู้เร็วแต่รู้ยากสามรู้ช้าแต่รู้ง่ายแล้วก็รู้ช้าแต่รู้ยาก รู้เร็วรู้ง่ายคือรู้เร็วเพราะว่าปัญญาเอไม่ทราบอันไหนเนี่ยรู้เร็วรู้รู้ง่ายคือกิเลสน้อยปัญญามากนะปฏิบัติไม่ยากเพราะกิเลสน้อยไม่มีอะไรมาคอยต้านทานนะปฏิบัติง่ายคือพวกกิเลสน้อยรู้เร็วก็เพราะว่ามีปัญญามากนะพวกที่ รู้เร็วแต่ปฏิบัติยากก็คือว่ากิเลสมากคือปฏิบัติยากต้องทรมานจริงๆต้องแบบนั่งทั้งคืนเดินพออาหารเจิดวันอะไรอย่างเงี้ยถ่าจะได้ทําจิตให้มันลงให้ได้ก่อนห น, น่อยนี่นั่นคือขั้นสมาธิไงการที่จะทําจิตให้ลงให้ได้นี่คือขั้นสมาธิยากต้องทรมาน แต่พอได้สมาธิปั๊มนี่มันมีปัญญาอย่านเฝีายได้เร็วเลยเรารู้เร็วนะพวกขั้นที่พวกที่สามที่สีก็โวกตรงันข้างติเลศหนาปัญญาทึบสียน่าจะเป็นหรืนี้เดีคิดไม่เป็นติเลศก็เยอะเวลาจะนั่งสมาธิก็นอนเดินจงกองก็เดินไม่ไหว อันนี้ก็อาศัยปัญญาของคนอื่นเนี่ยไม่งั้นรถรถรถที่เรารถเราสตารไม่ได้เรารอสายคนคอยผลักให้ต้องให้คนถ้าเราคิดไปเรื่อยฟังไปเรื่อยเรื่อยเราก็จะเริ่มคิดไปเรื่อยดังนั้นการฟังทำนี่มีประโยชน์อย่างหนูตาเวลาท่านแสดงธรรมนี่เยอท่านจะแสดงเหตุแสดงผลตลอดเวละ ถ้าเราฟังอยู่เรื่อยต่อไปเราก็จะติดคุดบป็นแบบที่ท่านคิดมันเป็นอย่างนี้เพราะอย่างนี้อย่างนี้อย่างนัไปคือเอาเหตุเอาผลมาแม่เอาอารมณ์แม่เอาความรู้สึกของตัวเองมาเป็นที่ตั้งนี่ถึงต้องต้องอยู่ใกล้บัณฑิตแต่ว่าอาศัยวนาจะบาลานันบัณฑิตานั้นจะเสวนาคืออยู่ใกล้บัณฑิตก็อยู่บัณฑิตที่หนึ่งก็พระพุทธเจ้าบัณฑิตที่สองก็พระอรหันต์ อันนี้สารกระเพ้ายาบุคคลตามลำดับเราลงมาเรื่อยๆบุคคละหนี้เ่าสามารถทำให้เราดีขึ้นได้ฉลาดขึ้นได้คนพานก็พว่ที่ชอบดื่มเหล้าเมายาึินเที่ยวเฮฮาหยกสนานเกลียดทา้ายชอบทำอะไรแบบง่ายๆมักง่า ย, า ย, ายชอบแบบโกงอะไรที่โก ง, งองะไรพวก้วพวกคนพาน อ ย, อย่าไปคบค้ากันนะคนวงนี้ก็จะทําให้เราติดตามติดนิสัยของมาด้วยเพราะมันง่ายคนเราใครๆก็อยากจะได้อะไรมันง่ายๆโกงมันง่ายกว่าที่จะไปหามาด้วยควา ม, วามเหนื่อยยากตอบใช่ไหมตอบตอบเอ็นทาน้ายหนุ่มกันเนี้ยโกงก็เอาขสอบมาเอาก้อสอบมาดูไม่ง่ายกับมานั่งท่องตานานต้องหลายเล่มแล้วไม่ดีอะเราไม่ได้อะไรจากการโกงเราไม่ต้อะเสีย นพยายามเข้าหาบัญญิติอยู่เนลยที่ไหนมีครูบาอาจารย์มีคนฉลาดเราเข้าไปแล้วเราเราได้ความรูม้ได้ความฉลาดเพิ่มขึ้นเราได้กําไรเนี่ยมาทุกเดือนเนี่ยอาจารย์เลยบอกถอยคำหลาเป็นเนี่ยอีักรยานนึ่งอาจจะเบื่อก็ได้ต้องมาที่ไรก็มีแค่แค่เท่านี้แหละ <c oughs> ไว้ถ้าวันวิสาขะนี้ท่านจะมีเก็บข้างเยเยอะกว่าครับพวูจะมากราบยัน วันพิเศษอาจจะสิบสองไม่จะไม่คสะดวกเท่าไรเพราะว่าหนึ่งตอนเช้าคนมาทำบุญถ่ายบาทเนี่ยกว่าจะเสร็จก็เกือบเกือบสิบโมงสิบอดโมงแล้วก็พอเที่ยงก็ต้องลงปฏิโมลอเงให้ที่นีต้องตอนเที่ยงลงเสร็จก็ประมาณบ่ายโมงกว่าแล้วเดี๋ยวเย็นห้าโมงก็จะต้องลงไปเตรียมตัวเวียนเทียงตอนถึงเย็นก็จะมีไหว้ข้าวสร็จเย็นแล้วก็เย็นทำวิถีเย็นเียง วันนันนั้นเองถ้าถอดเรียกวันนั้นได้ก็ดีกว่าะันนั้นจะถ้าจะไม่ใช่แล้วไม่นับคนที่จอนมาหาอีกคือในยุคหลังนี้เดิ่บดา้าไม่ไหวที่ที่บ้านอำเภอแล้วท่านแค่สาราแล้วท่านขึ้น ้ถาาิดแต่ไม่แน่เลยพอถึงวันนั้นอาจจะการดีขึ้นพอที่จะออกได้ก็ไม่แน่ก็พยายามพยายามหวังไว้อย่างนั้นแต่ก็ยังไม่กล้าที่จะตัดสินใ จ, จลูกถามมาลูกถามมา ท, ทีแรกตั้งใจกันอย่างงี้ค่ว่าวันวันที่สิบสองเนี้ยเช้าขึ้นจ ะ, จะไปเหมือนเดิมไปที่วัดบุญยาว่าแล้วก็บ่ายกลับมาที่นี่หาท่านแล้วก็กลางคืนจะไปอยู่ที่วัด วัดมักจังเลยแล้วช้ามืดจะวิ่งมาใส่บาตรเช่นกันนี่ไม่มแต่ต้องเตรียมตอนช้าอีกครั้งหนึ่งวันที่สิบสามก็วันที่สิบสามมาใส่บาตรแล้วกันครับเก็วันที่สิบสองที่ว่าคงจะไม่มีเวลาเพราะนอกจากกิจที่เล่าให้ฟัง้แล้วช่วงเวลาว่างก็จะมีคนมาคนนี้ก็มาคนนี้ก็มาทั้เพราะเป็นวันเป็นวันเทศกาล เป็นส่วนใหญ่ท no ี่จะมาวัดกันเขก็จะมาวันนั้นกันนี้พวกเราถ้าเราเลี่ยงเลี่ยงวันวันธรรมดาได้ก็จะดีกว่าถ้าศิษย์สามวันไหนก็ษย์สไหนก็ได้เอเช้าใส่บาตแล้วท่านจะแสดงธรรมข้างล่างด้วยมาจะได้ตามไปฟังข้างล่างเลยตรงตรงไหนตที่สาราหน้าใกล้ๆกับที่ที่ที่พักในทีนี้ะถ้าถ้าใส่บาตก็ถ้าถ้ามาใส่บาตที่ศาลาก็ประมาณเจ็ดมงึ่ง เ็ดโม่ดมงครึ่วันนี้วันอาทิตย์ป่าวันศุกร์วันเสาร์หเื่อเสวันเสาร์า่าจสามวันเสาร์วันเสาร์ที่ส่วนใหญ่กว่าจะใส่บาตรเปิดก็ประมาณสองโมงถ้ามาสักเจ็ดมงคึ่นก็คือขึ้นมาที่สาราแล้วก็มาถวายอาหารที่บนสาราเลยครับอ๋อก็ยี่สิบกว่าสามสิบรูปโดยประมาณ แต่ก็ไม่ต้องกังวลเรื่องอาหารก็ทำมาตามอาัธยาศัยพราอาหารที่เพียงเงยอะอยู่แล้วท<น>ี่นี่ก็จะคล้ายๆกับที่บรรดาเป็นแต่ต่างกันว่าเวลาญาติโยมมาถวายอาหารก็จะถวายที่หัวแถวพวกอาหารแล้วก็จะให้ตักข้าวใส่บาตรกันเรามีข้าวข้าวข้าวปล่าแล้วก็ตักใส่บาตรกันแพระท่านจะไม่ได้เดินแจกอาหารเหมือนที่บรรดา พระจะนั่งอยู่รอรับอาหารที่จะได้รับประทานมาจากวัวแถวแล้วก็เลื่อนไปแล้วท่านก็จะตักใส่บาตรของท่านเองใส่แต่ว่าบาตรตั้งไว้ข้างนอกก่อนให้โยงใส่ข้าไม่ไม่ไม่นั่งพระนั่งอย่งนี้พระบาตรจะตั้งอยู่อย่างนี้เลยนั่งเป็นแถวอย่างนี้โยมก็เอากับข้าวมาถวายจะมีรถรถเลื่อนได้แล้วยาวยอก็ตักข้าวเดินไปเรื่อยๆองกระบาต พระก็่ก็บางทีก็เป็นก็ต้องตอถ่ายออกต้องถ่ายออกต้องถออกบ้างแต่ก็ชอบข้าน่เเยคนลช้อนคนละช้อนอาหายแล้วก็มาถวายที่หัวแถว หลังๆครัก้ก็แสดงรั้นเถึงเราคิดว่าท่มีที่สาน้ท่านจะเดินบาตรไม่นี้ไม่ได้ที่แล้วไม่ไดคนวันนั้นมันมันกิจกรรมหลายหลายอย่างตอนเช้ากว่าจะเสร็จก็เกือบเกือบสิบโมงสิบโมงครึสิเดโมงก็ต้องเตรียมตัวลงปาฏิโม่ลงปาฏิโม่เสร็จก็ มีเวลาว่างอยู่สักสามสีนน่โมงก็บางทีก็มีคนนั้นมาคนนี้มาหาแต่ท่านจะอยู่ของล่า ง, าางถึงแม้แขกจะเยอะคือถ้าปกติถ้ากลับขึ้นมาได้ก็พอลงปฏะตูนู้นเสร็จก็รถก็จะพาขึ้นมาส่งก็จะมีเวลามาพักที่สติสักหน่อยแต่ก็อาจจะแล้วแต่คนที่จะมาแล้วพอประมาณสักห้าโมงก็ต้อ ง, องลงไปเพื่อที่จะเปลี่ยนตัวเปลียนเครื่องตอนทำวัดไหว้พระเกิดวันตอนหกโมงเยน ก่อนจะเวียนเพียงก็จะอ่านเอาหนังสือธรรมะของสมเด็จพระสัมราชที่ท่านแสดงไวในวันทิ่าาขามามาอ่านให้ญาติโยมฟังแล้วก็มีการกล่าวคำถวายคำบูชาแลญาติโยมทางคณะห้องละเจ็เท่าก็จะมีการสวดสารพันญะเพืที่จะ การที่จะเวียนเทียนครับเราจะเวียนเทียนจริงๆก็ประมาณทุ่มเสร็จเสร็จเราจะเริ่มทําตั้งแต่หกโมงเย็นหกโมงเนจะวาดพาะสดเย็นทำรัตเย็นมีการถวายผ้าป่าเสร็จผ้าป่าก็จะอ่านเทศของสมเด็จสังฆราชพระท่านก็จะกราคําถวายคําบูชาแล้วยาเย็นก็จะเสด็จจากพันญะเสร็จก็เวียนเทียนแล้ว็จประมาณทุ่มครึ่งหรือประมาณสองทุ่ม การเ ย, ยี่ยมชมองนันก็จะจบพิธีแต่ที่วัด น, นี้เขาวันวิสาขาวันมาฆาตนี้เขาจะอยู่ตลอดรูปเขาจะไหว้พระสวดมนต์ต่อที่สาราสวดมนต์สำหรับญาติโยมที่มาพักปฏิบัติที่มาค้างที่วัดกับพระเย็นเขาจะมีการสลับกันสวดสวดมนต์พระสวดนต์แล้วก็พระเทศพสักการ์นแล้วก็สกลับกันไปอย่างนี้จดี๋าวนั <c oughs> ประมาณปีสามก็ทําวัดช้า พระเห็นแล้วก็ยยกย้ายกับพระเพรอเวลาออาคืนสบายก็ออาคืนสบายแต่ระยะหลังเนี่ยตราราไม่ได้อยู่ตราราดนุ่งของเขาเพราะหลังนั่งไม่ไหวก็หยุดจนช่วงเยินเพียนเสร็จก็จะกลับขึ้นมาถ้าถ้าอยู่วงเยอนก็จะกลับขึ้นมาตอนเชา้าเราก็เดินไป ม, มันเป็นกิจกรรมของทางวัดที่เขากําหนดมา มันก็ต่างคับที่ที่ที่วัดปาตาเราจะไม่มีกิจกรร ม, มเรื่อการเรียิงปืนแต่ที่นี่ก็มันมันก็อยู่ในอีกระดับหนึ่งถ้าเป็นมหาวิทยาลัยก็เป็นแบบลามพันแหง่งตาบกตลาดคนตลาดคนเป็นมหาวิทยาลายัยเกบดไม่เหมือนกับจุฬาและธรรมาศาสตร์ที่เขา มีกำหนดกฎเกณฑ์ว่ต้องเข้าห้องเรียนจะต้องเรียนอยู่ในระดับไหนจะต้องเรียนกี่ปีให้จบเนี่ยที่แม่รามคาแหงนี่ก็ปล่อยให้เรียนแต่การสบายและจะเรียนกี่วิชาก็เรียนได้เข้าห้องเรียนก็ได้ไม่เข้าห้องเรียนก็ได้ที่นี่ก็เป็นในลักษณะยเลยเพราะว่าไม่มีครูบาอาจารย์มาของทวกกลุมอยู่แล้วเพราะสมเด็จพระสังฆราเป็นผู้สร้างวัดท่านไม่อยู่เมืท่านไม่อยู่ท่านก็ ความใจพระลูกอื่นพระลูกอื่นท่านก็มีความรู้สึกไม่ค่อยที่จะทันเนที่จะมาอยู่ก็เหมือนกับว่ามามาเลี้ยงลูกให้เขาไปตีลูกเขาแรงเลยเี๋ยวเขาก็ไปฟ้องพ่อแม่เขาพ่อแม่เขาก็หาว่าโหดร้ายแทนเลย ก็เลยกูบาอาจารย์ที่นิมนต์มาอยู่ก็อยู่ไม่ได้นานก็เปิดผู้เกียจก็เคยมาอยู่ส่าจังอวัก็มาทะเลาะกับลูกๆเขาก็เลยท้องพ่อพ่อก็มาขอเล่าให้ไปกูบาอาจารย์มาอยู่ก็แบบเดียวกันก็เลยหาหาพระองค์มาอยู่ไม่ได้ก็เลยกันหลังก็เลยไม่ได้หาใครก็เอาอาศัยลูกวัดที่อยู่ที่นี่ แต่มาก็พอดีได้มาสายเขาอยู่ก็เลยก็เลยเปิดตัวมาแบบแบบวันนี้แต่ทุกวันนี้ก็ยังอยู่แบบคนอาศัยอยู่นะไม่ได้ไม่มี <c oughs> ไม่มีอำนาจวาสนาในทางน <c oughs> ในทางบริหา ร, รจัดการทั้งสิน้น <c oughs> เรื่องการเรื่องตอนนี้นเราไม่รู้เรื่องเลยเขามีคณะข้าก็ตรเป็นแรงขึ้นใจไม่ไม่เสียไม่ไปดูไหมคือพูดกันตัวอยู่ที่นี่มันสบายไม่มีภาระตล้องกังวลกับเราเรื่องการบริหา ร, ร ของพระเราก็ไม่เกี่ยวถ้าข้างล่างเราก็ปล่อยเข้เขาบริหารกันเองใครจะมาบวชใครจะเจะสด็จก็ปล่อยเขาจัดการเราก็เพียงทาหน้าที่ของท่าป่าเช้าก็ออกบินตบบาทถ้ันเสร็จก็มีญาติโยมมาก็พูดธรรมะให้เขาฟังวันเสาร์วันอาทิตย์แต่และเราก็กลับมาอยู่ที่น้นเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องขอ ง, งทางวัด น, นี้นระาแทบจะไม่ไม่ได้เกี่ยวข้องเลยเป็นเหมือนมามาอาศัยอยู่เขาแตเท่านั้นเอง แต่เขาก็อยากจะให้เราเป็นแต่เราไม่อยากจะเป็นเป็นแล้วมันกลายเป็นทาบเข้าไปไนะเป็นอย่างนี้เข้ามาใช้เราไม่ได้เข้ามาสั่งเราไม่ได้เข้ามาปลดเราไม่ได้ถ้าเป็นแล้วเดี๋ยวเขามาขู่มาปลดเราได้เราก็กลัวเสียหน้าเสียตังค์อ๋ออันนี้ใช่ไหมข่าวที่แล้วค่ะท่านใจคอให้เดี๋ยว อันน่รวมโอเคเราพี่แม่อค เ, นะเรื่เดียวเดียวลยเพราะว่าคนที่มาไม่ได้เท่ที่ทามาแค่ตานเทนพของก้พแรม้เอย่างี้นะครับจะเอาตางไหน้ายังไม่ได้นนหน้าดีผมประเคน ก, ก่อนน้ครันอจ ถ, ถอได้ครับ นี่ก็เอะกับยาที่หลายขนาดนะ่ังหวัดเปียกแล้วแล้วมีแผ่นใหม่ไหม ีเป so so uh, oh, ียกน้ำละเดี๋ยวเอาเอาแผ่นใหม่นกาี้ันัดจเพราะว่าตี้น้ำเียเหมือนหมืนกัแห้งว่าจะอะไรไม่ดีเขามีไหลแผ่นท่านจันทร์หลงตามาหาท่านจัเออ ใช่ีกได้เดีอนี้ก็ได้ทาเปลี่ยนตเปลี่ยนาไม่ไดีแดงแดงเปลี่ยนตอเปี่ยนตอไม่คอเวมันบบอรมาส้นี่งา่ี่งองอที่อันนี้ใช่อันนี้ต้องตามาอันนี้อน่ะใครจะ้อันนี้ กงสือมาในนิชิตมาจะก็เลยเปิดท่านต้องเห็นเรื่องนดเกิดอะไรแบได้เลี้สามลอท่านก็ข่าวตั้งหล้อ่ได้สองก็ดวาง้ที่ีไม่เป็ นี่เพื่อนชื่อสาวิตรีที่เคยมาคพรพับอาจารข้างล่างที่มีความผูกเรื่องรูกชายเขก็มาเป็นสามคนพ่อแม่มากรุงเทพนะเป็นอาจารย์ที่ทำงานฝากมาทำงาน มต้องเห็นหน้าเห็นอาจารย์ว่าชื่อไ ม, ไม่ไมไม่รู้จักชื่อคนพี่อาจารย์ถามเขาว่ามีไม่ได้มีลูกคนนั้นคนเดียวมีลูกสาวอีกคนก็นที่าเป็นหนอนะคะเขาไปปฏิบัติธรรมที่ระยองเขาแค่เียนการปฏิบัตินะที่ไม่เคยปฏิบัติาก่อนแล้ววันนั้นก็ เขาบอกว่าเขาอยากจะมาหลังราชการนะคจะขอโอกาสเมื่อนไหนได้สะดวกก็จะได้ใช่ถ้ามามวันไหนก็มาก็รักันก็ติดแมากสาววันนี้เขาภาวนาได้ดีเนส่วนตั้งสะดวกเมื่อไรก็มากพแล้วบกันตอนนี้คงจะต้องไปพบที่ห้างรานที่ตาหนักจมิ่เดี่สังกัด ว่าตอนนี้ยังขึ้นมาข้างบนนี้มันลาบากเรื่องเข้าห้องน้ำเรื่องเรื่องอาบนา้ำก็ต้องหิงานวาที่นี่มันม่ี น, ม น, น, ม น, น, น้น า, นาก๊อกไม่มี น, น้ำไกระแต่ต้องต้องย่งต้องอะไรมันลำบากกล้างมันมยันเลยขยัองู่ข้างลามันสะดกน้ำไป ไปอาการดีขึ้นเยอะแล้วแต่เห็นแม่หน้านีนก็ไม่มีอาการอะไรใจอดคนเลยอนีพี่น้องัาษาหน้าตาเนี่ยไม่ใช่คับแต่เออขึ้นไป่ในสนี้แเอาขึ้นบนนี้หรือจะลงขงหนล่างกะเล่มสอง แล้วแบ่งไปต่ข้างล่างสของหอแล้วก็กลับไปเดี๋ยวเดี๋ยวเราแบ่งวัตถุติดกันถ้าเราต้องการอะไรก็ขึ้นมาเอาได้เพราะมีรให้เข้าขึ้นมาได้เครื่องจักที่เกิดเครื่องจัรขบนนี้ให้ชาวเนี่ยแทนที่จะเดินลงไปให้รถมานรับรวมไปท่านอาจารย์ได้ดีกว่าอ๋อถ้าถ้าอยู่บนนี้ถ้าอยู่บนนี้ก็เรื่องเดินไม่มีปัญหาอะไรเดินเดินเป็นเป็นประโยชน์การเดินนี่ได้ประโยชน์ได้ออกกำลังกายได้ ทุกวันนี้ไม่ค่อได้เดินเลยรู้สึกว่าไม่ค่อยไม่ค่อยดีเดินไม่เจ็บหลังไม่เจ็เท้าดินมันไม่เจ็บก็แต่ระยะนี้มันจะเจ็บอยู่เพราะมันมันมันเลรวอนแต่เชื่องไม่นานน่ะมันจะหามัน็นปกติกพราตอนนี้ดีขึ้นกว่าเก่าเยอะแล้วไม่ได้อาจจะวันวันยืดสายาจจะหายดีไม่ได้คือเป็นเป็นเส้นหนังเป็นเส้นเอ็นที่มันยึดมันมันแข็งตัว แต่เรานั่งมากๆแล้วมันเกิดอาการเมื่อยอย่างความจริงถ้าเราพักเรานอนนอพักเองหลังสักระยะสักชั่วโมงสองชั่วโมงมันก็จะคลายเส้นนี้ก็จะอ่อนลุกขึ้นมาก็จะไม่มีอาการเจ็บแต่ถ้าลุกขึ้นมาทําอะไรนั่งทําอะไรพักสองสามสี่ห้ชั่วโมงเนี้มันก็จะรู้สึกเมื่อย mm hmm. ต้องตองสลับกันพักสั บ, บันนิดเดียที่บางทีบางเวลามันจะเจอภารกิจอะไรอย่างซ้อนกันอย่างวันวิสาขะเนี่ยจะเป็นวันลำบาก พอเช้าก็านั่งแหละตั้งแต่เจ็ดโมงถึงประมาณสิบโมงตอนฉันเช้าทเทศน์ให้ญาติโยมเสร็จฉันเสร็จอะไรเก็เกือบสามชั่วโมงต่อแล้วเดี๋ยวก็ต้องไปนั่งปัิโมกสักชั่วโมงแล้วหลังจากนั้นก็เดี๋ยวคนนั้นมาคนนี้มาก็ต้องนั่งจะขายวันนั้นแทบจะไม่มีเวลาได้เอ็นหลังเลยถ้าเป็นอย่างนั้นบ่อยๆเข้ามันก็จะรับไม่ไหวทีวันนั้นอาตมาก็เป็นอย่างนี้ มันรู้สึกเอมันจะมั่วหลังมากเพราะไม่ได้มีโอกาสได้นอนเอ็นหลังก็เลยคิดแก้ด้วยวิธีทําโยคะเป็นว่างเล่าอุตส่าห์มันก็เลยไปยืดให้เส้นที่มันแข็งอยู่แล้วมันมันช้าอ่ะมันช้ำพอลุกขึ้นมานี่มันก็โอ้โหมันเสียวแป๊บเลยอเดี๋ยครับทำยังไม่ได้หมอจับเส้นไม่ได้หรอครับวอนนี้ได้แล้วก็เมื่อเมื่ออาิตย์แก็ให้ท่านมาจกบให้เดี๋ยววันนี้เขาจะมาจับให้อ ไม่ต้องกังวลเรื่องรักษาไ ม, ไม่มีใครอยากจะปล่อยให้มันเป็นอย่างนี้ไปหรอกย่ง mm hmm. แต่ว่าแต่ละคนก็มีวิธีรักษาของของเขาไปเึ่งก็ได้ผลทั้งนั้นน่ะมันก็เป็นนี่คนบางคนก็ไม่เข้าใจพอก็เห็นแล้วไม่สบายเขาคิดว่าเราไม่มีหมอ แล้วเขาจะต้องเอาหมอมารักษาให้เราถ้าเราไม่รักษาหมอเขาเนี่เขาก็รู้สึกว่าเราดือ้อนอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่แต่ก็ไม่รู้ห่อเรามีหมอเราไม่รู้กี่สิบหมอโงพยาบาลกู่ตรงนี้ต้องตามบอกแทนจะไปแบบผู้เก่า <c oughs> วะมาดูเคละดการไต เกี่ยวลบไปประมาณอย่านันห้าสิบกะเป็นธรรมดามจะเวลาน่งเราลุกขึ้นดนไม่ได้เลยต้องใช้เวลายื้ตัวยืนสักห้าถึงสิบนาทีถึงจะค่อยๆเดินได้แตแบบน่นี้พอนั่งก็ลุกขึ้นมานก็ยืนได้เดินตอนต้ตก็วตกเหือกัน ว, ว่าถ้าแบบนี้ไปตลอดชีวิตนี่นนเราค<ม>งจะแย่บกาศนีคนพิการ<ม>นี้แต่ตอนนี้รู้สึกว่าอาการมันเริ่มพืนตัวแล้ว แต่คนที่จะมาช่วยจับเส้นเพราะเวลาเข้ามาขู่โอ้เส้นแข็งกับเป็นหยิ่ง่า็นพลึกก็ก <c oughs> ต้องกด <c oughs> อันนั้นได้สักสี่ชั่วโมงมันวิจารณ์นั่นมัาา น, มนใช้ได้อันนี้เก็บไว้เวลาเพราะมันเป็นแข้งข็เวลา<ช>สมมติเวลาที่ไม่ได้ลงไปอยู่ข้างล่างแล้วแต่เวลาต้อเป็นต้องใช้ถ้าตอนนี้อยู่ข้างล่างมันมีแบบใช้เค่ฟ้าอย่างนั้ดีแต่อันนี้เป็นท่าถือว่ามันวิจรณได้ใช้ได้เคยเมื่อก่อนก็มีคนจะให้แต่อาตะมาลองทานก็ามันร้อนร้อนแล้วเหนืยตกเหแตกแล้วมันก็เหม็นหรือว่ต้องเอาไปซักอะไรล้างเลยมันเป็นท่ะ คก็อเอาแบบธรมธรมชาติดีววกว่าเราพยายามรักษาตรงเด็กเสตง็ตงของเราไปกอยังไม่รู้หรอกทำอะไรมันจะมีภาระตามบ้างถ้าเจ้ายาติดละทพิงได้เลยถ้าเจ้ายามไม่ได้ทำอะไรหรอกมันเป็นจิตวิทย า, าเราแ่ว ก็ดีนอย่างเง้ยน่หละมันรู้สึกดีขึ้นพอมีอะไรปะทําไมแล้วเราเราจะรู้สึกว่าสบายใจซึ้นใจเราสบายไงพอใจเราสบายก็เหมือนก็มันหายมันมันดีขึ้นะปะเมื่อสี่ปีมันก็ยังเหมือนเดิมต้องปะนะแต่ก็ไม่ได้ปะพอปะแล้วมันติดไงมันทําให้เรามีความความความมั่นใจ มีอันหนึ่งที่เขาซื้อมาจากสิงคโปร์จรผมปดหลังนะครผมก็ปะชิ้นเดียวฮรแล้วมันก็หายถ้าไม่หายมันขายไม่ได้หรอกไม่ไม่ขายถูอกย่างนาอาจารย์ก็ต้องลองสิครับลององทุอย่างไม่ไหวคนเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่รู้ว่านายมันหายพรอะไรไม่รู้ขอหายก็แล้วแตนใช้ได้ ข้าของอะไหที่ท่นจะจะเอาไปไว้ที่กุฏิบ้างไหคไเี้ยเอไปหคพวกน้ไว้ทางนี้ครับน้ไว้ทางดีนะครับพวกน้ำตึกรัาน้ลกชาไว้ไว้ที่ไหนน้าชาไว้ไว้นักงานาชาไว้ที่ไหนครับ อันนี้อะไรที่กิจสูงนี่อะไรนี่กิจอันนี้จะไปว่าที่อะไรสูงอันนี้เอาไปว่าที่กอันนี้ว่ที่กิจอะไรครับก็สยาแต่ทุกวันนี้ไม่อยากจะมาตามแก้ตามปฏิเสธแต่ทำร่างมือของคนใครก็จะพูดอะไรก็พูดันเราพยายามทำใจขเราเป็นฐานเราเราเป็นอะไรเราคนนี้ในตัวของเรา ใรจะยกยังไงก็ไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่สนใจในการแก้ใจจะทุบลงทุ่มยังไงก็ปล่อยก็ทุบก็ทุ่มไปเราอยู่รตามใจ ม, มันพลาดไงก็ได้ใครๆก็พูดอะไรยอมไปต้องต้อ ง, ต, องต้องเป็นเ่ง เ, เขานะันไม่ใช่เรื่องอะไรนะ่ แต่มันไม่ได้เห็นเรื่องสําคัญนะเรื่องสําคัญนี่เป็นเรื่องที่คนกับไม่สนใจกันเรื่องเรื่องเรื่องธรรมะมันไม่สนใจเลยแต่รู้เพื่อในธรมรมที่ท่านอาจารย์อบรมนี้อาจารย์ธรรมะที่เราได้ยินได้ฟังนี้คือต่อเราไปปฏิบัติให้มันเห้นผลกับใจเราเนี่ยดีกว่าอันนี้ที่สูจได้ในเรื่องการคิดหรือคิดอะไรต่างๆนั้นเป็นเรื่องของอุปาทานที่แต่ละคนจะคิดไปมากกว่าตรงการท่านก็ไม่เคยพูดเรื่องอะไร แตนก็มีคน un> ล่ำเลยอยู่เสมออาอารใจแทบไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แต่ท่าก way way ็ไม่เคยไปปฏิเสธแล้วไปเคยไปอะไรเพราะฉะนันว่าไม่ใช่เป็นทางสาระสำคัญสาระสำคาญมีที่คำมาค่ะพระเจ้าพอดีท่านอาจารย์นิที่ ที่บ้านไหนบ้านที่กบตาเอกาดป็นไหมเมื่อเช้าจะมาหลังคาไกลกันไม่ดเพราะวาทากกว่อ่อนกว่าก่อลทั้งาบตามาคอ่กาท่เกาะพอดีพวกลูกจะขึ้นไปภานาที่หลัง้าตอนกลายดินจุตภาทั้วันเลยค่ะตอนนี้ท่านไปอยู่ที่นั่นแล้วไปทำบัดใหม่ด้วยงั้นอืมดู เราปฏิบัติทาที่ต้ที่นี่เยงนั้นศัรยามากใ่ครัพอเรื่องไปแล้วต่อไปาจจะถูกไปจะไปเรียนก็แต่ก็มาที่นี่ไปหลายครั้งแล้วค่ะแต่ก็มาฟังธรรมเร่องกาที่นี่ไม่ไม่ไม่ได้รับอนญาตโยปฏิบัติรที่นี่เขไม่ค่อยส่งเสริมเรื่องการภาวนาเท่าไหร่จะสงเสริมในได้เรื่องเรื่องเชื่อเรื่องพุทธานุภาพเรื่องอะไรต่าง่ เพลวันนี้ข้ามเปเงไรเป็นเหตุให้มันมันเป็นยะายก็ไม่เไทามีประโยชน์มากเลยค่ะทุกคนที่อ่านแล้วอันเล่นก็ได้ประได้ประโยชน์นะได้ค่ะวันนี้จะตอบปัญหาได้ตรงใจทุกปัญหาที่ติด้าอยู่มีทีลูกศิษย์ท่านจันแบน เอเคอ่านแล้วพี่อันนี้ผองตีเราเคยมากราบท่านเมื่อสิบแปดปีที่แล้วค่ะบอกว่ามากับครูบาอาจารย์ผู้ใหญ่ท่านหนึ่งเขามาเยี่ยมท่านเป็นพิเศษเขาบอกว่าเป็นสิบแปดปีที่เขาเขายังจำท่านจำได้ว่าท่านใจกราบครูบาอาจารย์ท่านนั้นงามมากแล้วก็ขนาดการเดินลงท่านใจเอ่ะมั่นคงนักติด ปิดพท้าป um ิดด uh uh um ึงมาเองเบอกว่าเขาคิดอยู่เสมอว่าเขาจะได้มีโอกาสกับมากราบท่านอาจารย์อีกไหมพอดีลูกเขาได้หนังสือเล่มนี้ไปเขาบอกเขาดีใจมากพีดีที่ทาอดมีโอกาสได้ไปอ่านคำนัะนพี่สาวลูกก็อ่านเล่มหนึ่งที่ท่านอาจารย์เล่าว่าไปอยู่ที่แถวแล้วกข้ามา ก็ตัดเอคนโดว่างเขาแต่ปฏิบัติเขไปลองดูแล้วกินข้าวมือเดียวแบบ่อาจารย์อ่ะอโหดีงเลยี่มาเกือกเนี่ยตาเหมืนมาเกือกจะเห็น่ามีร้านลอยข้างๆที่ต่างๆก็เชื่ มีนที่อน้าเขาต้องมีคนโแต่เขาไม่เอมีตึกแ้วอยู่แต่เขาไม่ได้ใช้เขามีบ้านอยู่อางเง้าเจยเรอ่นเดียวนมีคนเดียวค่ะคืออยู่หลายที่อ่ะตในจานเกิดที่กรุงเทพแล้วก็ไปอยู่สุพรรณบุรีถึงประมาณนะยี่สิบกว่าก็ก็กลับมาเลยนนคือที่กรุงเทพแต่พิพเขพิมาตั้งร่างอยู่ที่พัทยาค่าเนก็ มาเช้าอาทิตย์ลางียหยุดเชาอาทิตย์ก็มามาบ้านและพอจบจบทั้งโมหกทั้งศึกษาเนี่ก็ไปเรียนต่อที่สารอําท่าไปอยู่ที่สารวัฒน์ข้ามปีจากกรรับจํานําก็มาอยู่บ้านที่นี่ท่องเที่ยวเมสอปีก่อนก็ไปตรวจก็ไปอยู่บ้านกางเดือนเดือนเ้าปีตอนแรกก็มาอยู่ที่พัทยาอีกปีวัดเซที่สัมพันธ ก็มาอยู่ที่นี่20ปีรู้จักค่ข้างเยอะเลยนั่นตอนอยู่สุพรรณที่อเราุรมอรีตลาดอรทยทมนั้นชุดเหนอนะงา่งานเราอยู่ใกล้กันเอยู่ใกล้กลกับบ้านคุณันหานยาตพี่นารู้จกันาอยู่ตลาดใกล้ใกกัตลาาไม่ักเขาเลย แต่ยูพ่อยังแน่นะใช่คุณสุพรหคุณพ่อคุณย่าก็มีู่สุพรรนี่เลยคุณพ่อเขาก็อยู่ัคุณย่าแต่คุณพ่ อ, อ, อเขาก็แบบเป็นอดายในจองคุณพ่อที่เขาเขาเขาล่าบอกเพราะว่าคุณปู่คุณปูเสียตั้แต่คคุณพ่อยังยังงไม่โตแล้วคุณย่าต้องขายขายกาแฟอยู่ในตลาด คุณพ่อเขาต้องช่วยคุณย่าขายกะแฟเนียไม่ได้มีโอกาสไปเรียนหนังสือไม่ไม่ได้เรียนหนังสือคุณพ่ออาศัยเวลาคนมากินกาแฟกเอาหนังสือกอไก่ขอไขมาให้เขาช่วสอนให้การเรียนเองพออายุแกเริ่มทักเริ่เริ่มเริ่มเป็นหนุ่มคือท่าที่กรยก็ไปทะเลจอยไปลงเรืวไปหาไปเรียนไปไปไปศึกษาทีตามแบบคนทนลจอยก็ไปเรียนหล้อย่าง ไปเคยไปเป็นชุดไ ป, ไ ป, ไปทา ง, งานรับหมอต่อสร้างไปทงอะไรตอนใ น, นที่สุดก็ได้มารับงานหนอต่อสร้างที่สะเทียน mm hmm. มีคนต่สร้างบ้านต mm hmm. าต้องการตกบ้านพักสารอากาศตอนนั้นก็นอัตนาจมาก็ประมาณยี่สิบตัวช่วงนั้นเขาก็เอาอตนาในฝัอยู่ไปย่กที่สะเทียน mm hmm. อาทีที่สืบทอดมยอยู่ตัแต่ยุคสองขวบนประมาณยี่สิบป mm ี hmm. วอาตจดตววเป็นพ่อเขาก็อยากจะให้มาเรียนสูงขึ้นเพิ่เพื่อแต่เอามาก็ไปเรียนสงขึ้นเพ่มภาษาคนอยู่บ้านคนนี้บ้านนี้บ้านภอยู่โงเรีนกินนอนคึกอ่โรงเีนกินนอนเพียงอยู่แสีรยาแต่เราไม่ได้เรียนที่นั่นพอดีลงเรนกินนอนเ้าไม่จัดจัดพี่แม่พี่แม่ก็ไปจัดขอไปอยู่กินนอนเขาโรมีความเื่ออยู่ในภายกลับไปอยู่กับที่ต้องให้เรียนพันที่ิทยา ก็เที่ยี่นแต่นเชา้าก็นั่งรถมาเรนที่รนที่เรอย น, นทสมัยนะคสมัยนั่่้นี้เรา ก, ก็ไม่เคยอยู่กับบ้านกับเข้ามาได้แต่็ไม่เคยอยู่กับพ่อกับแม่นนได้แต่เลยน้องกวัก็ไปอยู่พญาโ ต, โตขึ้นมาก็ไปอยู่กับโงเีกินนอนบ้างก็สาอยู่กับบ้านคนนั้นคนนี้บ้านพอจบก็ไปเรียที่หาก็ไปอยู่คนเดียวเหับ ถ้าชีวิตไม่เคยได้อยู่ใกล้ที่ต่างคุณพ่อคุณแม่ก็เลยไม่เคยมีความรู้สึกว่ามีพ่อมีแม่ไม่ได้ไม่มีใครมาคอยคอยโอบเราคอยเอา อ, อกเข้าใจคอยเ ร, เราต้องทำในทุกอย่างตามตามกำลังของเราอยากจะได้เราก็ต้องหาทำงานอยู่ปยยับญาติหาเงินเองเรียนตอนอย่างนี้กลางเช้ตาตื่นตื่นทีห้าไปขายปลาท่องโ ก, กะกบอนไปรับปลาท่องโกมาขายเอาเงิ น, ง น, น, นเดึนค่าขนมไปนั่งเดิน ตอนเช้าเด็ก้าไปขายขนมจีดถ้าขนมจีดไปเริ่ขายการตลาดการอะไรนี่ยขายล็อบเตอร่ขายใบตัวลัอเตอร่อืมยงเบื่อเอยใช้ขายทุกอย่างชาเพญากขาก็เป็นคนที่ยากจนแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างจะประหยัดจะทำลำบากลำบางแค่ก็อยากจะเสร็จเงินเสร็บทองแล้วยังจะขอเงินไกินไปต้องไปยีนี่ไม่มีประหยักิน เขาต ja <sh> ้องกับกับใครดีกว่าแต่ที่ได้แกอย่างนี้คือเวลาติ่งเจก็จะพาไปติ่งเจด้วยติ่งเจช่วงเย็นๆแกจะติ่งเจแดูนิ้วเก็บน้ำเก็บคืนตอนนี้ยเจแล้วพอพออโตมาอยู่ทนีก็มาเรียนตอนนี้ก็มาติ่าเรียนโรงเรียนพืชโงเียนี้ก็ว่าบังคับให้เข้าโบ๊ททุกวันจัน เป็นเป็นข้อที่กลมกันถ้าไปเรียนตรงนี้ต้องต้องไปเข้าดูทุ่กไปเรียนนี้เกี่ยวกับเรื่องศาสนาทุกมาเกิดขค้อเกิดจะเป็นคลิสิงกันแต่ตอนหลังก็คือตอนต้นเขาาจาราอยากจะหลับใจมามารับพร ะ, พระเ ย, ย, ยเป็นเป็นผู้ท่ายภาก็ถือว่าเราเราจะเป็นคลิปเนี่ยแล้วก็เราเรา้นใจเข้ากันเลยพาไปอบรมตงสอนงวิถีีวสงทุกท่ทา ถ้าพอถึงเวลาที่เราจะต้องไปพรเยกอะไรอาบน้าทาลาบบ่าเราจัดมาพร้อมหรอยังแต่ก็บอาไม่ค่อยพร้อมพถามว่าทมกว่ามันลึกๆมันฟังแล้วม <c oughs> ันไ็่คอยมันไม่ศรัทธาเรื่องว่าพระเยซูจะมาถ่ายบ่าให้เราได้เาะบของเราเราไปพระเยซูเขาจะมารู้ได้ไงว่าเราทําังไงว่าเขาจะมาถ่ายให้เราได้ แต่เน้นอดยุเท่าไหร่ตอนแรกก็อายุสิบห้าสิบหกนก็เลยไม่ได้เป็นไม่ได้แไม่ได้ไม่ได้ก็แต่ล้ได้ศึกษาเกี่ยวกับศาสนาพุทธมาพอสมควรรู้ว่าศาสนาพุทธเขาสอนยังไงวนดีก็รู้อยู่เขาสอนถี่สอนสอนทำให้สอนทางสอนให้ทําีให้ทางให้นิสสอนนิสิตสอเพื่อนมุษย์ทั้ไหลา แล้วก็ให้รักษาศีลอย่างนี้แต่เพราะว่าคนเราจะหลุดพ้นจากบาปกรรมได้ก็ต้องเชื่อในพระเยซูว่าเป็นเป็นลูกของพระพระเจ้าของงานถ่ายบาปให้กับทุกเราถ้าเราถ้าเราต้องการที่จะกลับไปอยู่กับพระเจ้าในในครั้งในในสมัยที่พระพระเยซูจะกลับลงมาจากสวรรค์คพระเยซูเขาคำนายว่าจะกลับลงมารับพวกที่เป็นชาวไทยกลับไปสวรรค์ ตอนที่ตอนนี้เราตายเราตายกินตายชั่อข่าวถ้าเป็นชาวคนะริเนีะเขาตายเขาส่งไว้ไนงะแล้วสักวันพระเยซูจะมาเปิดเปิดป่าชาาระตุกให้คนที่นอนในป่าชานี่ลุกขึ้นมา <c oughs> แล้ว ก, กลับขึ้นไปสวรรค์ไป่อยู่กับพระเจ้า <c oughs> ตลอดนั้นาปรการ น, <c oughs> นี่คือคือเป้าหมายของศาสนาคือ <c oughs> แต่ก่อนที่พระเยซูจะมาได้นี่เป็นหน้าที่ของชาวพิชทุกคนจะต้องนํา นำนำข่าวนี้ไปให้กับคนทั้งหลายในโลกนี้ให้รู้ก่อนให้เขามีโอกาสได้กลับถึงมากก็จะเชื่อพระเยซูหไหมถ้าไม่เชื่อเพราะว่าถ้าเขารู้แล้วเขาไม่เชื่อต่อไปวเวลาพระเยซูมาแล้วถูกให้ทวกคนที่ตายแล้วตื่นขึ้นมาเนี้เขาจะเอาจากคนที่เชื่อพระเยซูกลับไปเสมคนที่ไม่เชื่อเราจะถูกไฟเขาตาหยหมดนี่เท้าห mm hmm. ี่นี่เะทำมาต่อจากนี้ที่สุดแล้ว ถึงมีชาวคลิปที่ไปม า, มาเผยแถร่ทำนักให้พวกชาวเขาชาวป่าเรย่างเพราะเขาต้องการให้ทุกคนได้ได้ไดทราบข่าวนี้ว่าพระเยซูได้ลงมากระถ่ายบาปให้พวกเราวนะพวกเรามีติด ท, ที่จะจ ะ, จะจะจะเชื่อหรือไม่เชื่อเ<ม>ชื่อก็เวลาพระเยซูมาทางหน้าก็จะรับเรากลับไปสู่สวรรค์<ม>ถ้าไม่เชื่อก็จะถูกไฟเผาตายหมดพอฟังแล้วมันก็รู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะไม่มีเหตุไมีผล แต่เราเชื่อในหลักการทำดีได้ดีให้เขาว่าสอนไม่ให้ท่าศัพท์แตทีไ่ไม่ใช่ให้รักษาไให้ตะพุกตะเวนเนี่ยเป็นอะไรนี้เขาก็เขาก็สอนให้ทำเขาว่าสอนให้มีความเมตตาให้ช่วยเหลือความคิดทูกต้ได้ยากทีเเ่เราจะเราก็เชื่อในส่วนนั้นถ้าตั้งนั้นมาเราก็ไม่ค่อยสนใจศาสนาไปอยู่อเมริกา5ปีมันก็เลยหยัวไปทางค่อนข้างที่จะไปทางแบบทางสมยัยอย่างไปทางแบบทางวิทยาศาสตร์ ใจเรนะ ไ, ไม่เคยใจเข้าบวถเข้าวัดเข้าวาไม่เคยใจอะไรสักอย่าง แ, แต่ใจพื้นเทเดียว ม, มันเป็นใจที่อบความสงบอยู่มันไม่าชอบสังคมไม่ชอบขับเรืในใน่องของสิ่งเท่าไหร่มันก็มีตัวนี้คอยดึงเรายือนมะาตลอดเลยนะมันไม่ได้ไปร่วมหลง ก, กับการการหาความสุขจากตัวนี้ใช่ไ น, นะครับ พอจบมามันเลยไม่เคยคึกจากกระตุ้เรื่องน้อยที่อยากจะไปมีครอบครัวอยากจะไปหางานทำ<ม> ห, หาเางยนหาทองมันกลับหาหาวิธีว่าจะทำอะไรอยู่แบบสบายสบายไม่ต้องคิกไม่ต้อ ง, งวุ่นวายจากอะไรอะไรได้อ่านหนัสือธรร ม, ม, อรอมนะอะไ ร, รอบบอะไรบอกว่านี่ทางนี้ถูกถูกถูกทับเรา <laughs>